จเจริญพรพวกเราไม่เจอกันเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งก็ถ้าเราภาวนาสม่ําเสมอเนี่ยไม่น้อยนะไม่ถือว่าน้อยขนาดคนภาวนาวันเดียวพระพุทธเจ้าอย่างยกย่องว่ามีประโยชน์ว่ามีอายุว่างเปล่าร้อยปีเกิดร้อยปีแต่ไม่เคยภาวนาเลยแล้วเกิดไปเปล่าเปล่า นี่ถ้าเราภาวนาเต็มฝีมือวันเดียวก็มีค่ามากกว่าร้อยปีเพราะงั้นเราไม่เจอกันประมาณสามพันปีมาแล้วสามสิบวันใช่ไหมถ้าพลังฝึกคือสามพันปีไม่น้อยนะถ้าเป็นวิทยายุทธในเวลาที่เราภาวนาถ้าเราจับหลักให้แม่นการภาวนาจะไม่ยาก ถ้าไม่ได้หลักเนี่ยสเปสปะไปเรื่อยก็เชื่อข่าวลือที่โน้นดีที่นี่ดีนะสเปสปะไปเรื่อยไม่มีหลักมีเกณฑ์อะไรนอกจากภาวนาไม่ได้ผลนะบางทีก็เพี้ยนไปเลยก็มีบางทีก็เป็นวิชาทิฏฐิมีความเห็นผิดไม่เข้าใจพระพุทธศาสนาประกาศสิ่งซึ่งขัดแย้งกับคาสอนของพระพุทธเจ้าก็มีนะมีเราภาวนาผิด เราพูดผิดคิดติดตามผิดไปหมดงั้นสิ่งที่พวกเราจะต้องตั้งใจให้ดีก็คือต้องมาเรียนหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าให้แม่นๆหลวงพ่อเทศประจําเลยนะบทเรียนของพระพุทธเจ้าศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาศีลสิกขาเรียนว่าปรับพื้นฐานของจิตใจให้เหมาะสมที่จะพัฒนาจิตใจในระดับสูงขึ้นไป ไม่มีศีลจิตวุ่นวายมีศีลจิตสงบง่ายบทเรียนที่สองชื่อจิตตสิกขาต้องมาเรียนเรื่องจิตเรียนเรื่องจิตไม่ใช่การเพ่งจิตให้นิ่งนิ่งเรียนเรื่องจิตก็ต้องมาเรียนให้รู้ว่าความจริงของจิตมันเป็นยังไงจิตเป็นยังไงอันแรกจิตเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์จิตมีหลายแบบจิตบางอย่างเป็นกุศลบางอย่างเป็นอกุศลต้องแยกแยะได้ แยกแยะไม่เป็นเราจะเอาจิตอกุศลไปเจริญปัญญามันไปไม่รอดกนะ่อนที่หลวงพ่อจะบวชจะเวนไปดูการภาวนาเมื่อกี้ครูบาอาจารย์บางที่ท่านก็ดีแต่คนที่เรียนบางทีมันไม่ได้แก่นไม่ได้หลักของครูบาอาจารย์ฝึกสมาธิกันก็เป็นสมาธิเพลิบเพ ล, ลิมลืมเนื้อลืมตัวสมาธิออกนอกเห็นโน้นเห็นนี่อะไรอย่างเงี้ยนะการฝึก จิตฝึกใจแนละ้วมันไม่ใช่แค่ฝึกให้สงบอย่างเดียวฝึกให้สงบอย่างเดียวยังไม่พอนะต้องฝึกให้ตั้งมั่นแล้วสมาธิมีหลายแบบ เ, เราต้องเรียนจิตไม่เหมือนกันจิตที่สงบนะทเป็นจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งจิตที่ตั้งมั่นนะจิตเป็นหนึ่งนะอารมณ์นับไม่ถ้วนอารมณ์ไหลไปเรื่อยๆจิตเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูอยู่สบายๆไม่เหมือนกันสิ่งเหล่านี้ต้องเรียนทั้งนั้นเลย สิ่งที่หลวงพ่อจำจีจ้จำชัยมาตลอดเวลานก็คือการเตรียมจิตให้พร้อมสำหรับการเจริญปัญญาหลายปีที่ผ่านมานะจะมุ่งสอนมาสู่จุดนี้ว่าเตรียมจิตให้พร้อมสะ ก, ก่อนไม่ใช่อยู่ๆก็เออก็จะไปนั่งสมาธิเออจะไปทำอะไรน้นพิจารณากายหรือกำหนดรูปนาม ยังไม่ได้เตรียมจิตให้พร้อมเราเอาจิ ต, ท, จตที่เป็นอกุศลนั่นแหละส่วนใหญ่เอาจิตที่เป็นอกุศลไปเจริญปัญญาเจริญไม่ได้เพราะจิตชนิดนั้นไม่มีปัญญาถ้าเราต้องเรียนให้ชัดนะจิตชนิดไหนมันจะมีปัญญาได้จิตชนิดไหนมันไม่มีทางเกิดปัญญาถ้าเราไม่รู้โอ้ยลำบากการภาวนาลมลุกลุกลกานไม่เลิกเลยถ้าเราต้องเตรียมจิตนะีิธีสอนมาทุกคราวเลยที่เจอกันไปฟังในซีดีก็ได้นะวิธี ที่จิตจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถอนตัวออกจากโลกของความคิดถอนตัวออกจากปรากฏการของรูปรธรรมปรากฏการของนมามธรรมวิธีที่ง่ายก็คือรู้ทันเวลาจิตหลงไปคิดนะถ้าเรารู้ทันจิตที่หลงไปคิดนะจิตจะหลุดออกจากโลกของความคิดมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นขึ้นมาเราก็มาเดินปัญญาต่อแลอ้วฝ่าตืขั้นจเจริญปัญญาเนี่ยสิ่งที่หลวงพอจำจี้จำชัยเป็นพิเศษนะ คือการแยกคาดแยกขันนะนะงัะนมีลําดับของการเรียนนะธรรมะสมบทเรียนบทเรียนที่หนึ่งเรื่องการรักษาศีลเวลาสอนเรื่องการรักษาศีลเนี่ยสิ่งที่หลวงพ่อจำจีจำชัยมากคือสติถ้าไม่มีสติรักษาศีลไม่รอดหรอกนะขาดสติทีเดียวศีลขาดหมดเลยนะอย่างน้อยก็เพิรเจอนะพูดพูดโดยไม่จําเป็นต้องพูดนะเรียกว่าพูดเพิรเจอ จำเป็นต้องพูดแล้วก็ไม่พูดนะนี่ก็ใช้ไม่ได้อีกนะมีปากแล้วไม่พูดนะมันเหมือนมีอย่างอื่นใช้ไม่ได้หรอกแต่พูดไปเรื่อยๆมันก็ใช้ไม่ได้อีกนั้นะจะรักษาสีนได้ดีต้องมีสติมีสติรักษาจิตกนะิเลสเกิดที่จิตรู้ทันนะสีจะเกิดรักษาง่ายที่สุดเลยสีนนะแต่ถ้าเราไม่รักษาสีที่จิตเราไปรักษาที่ปากที่มือที่เท้าอะไรนะี่รักษายาก จิตมันฟุ้งซ่านมันทาให้ร่างกายทำชั่วพูดชั่วอะไรอย่างนี้นไปด้วยผิดศีลเพราะฉะนั้นถ้าจะรักษาศีลให้ดีนะมีสติรักษาจิตไหมจําชี้จำชัมากนะต้องมีสตินะต้องมีสติขาดสติไม่ได้นะพอจะถึงขั้นการฝึกจิตหลวงพ่อจะต้องเน้นต้องฝึกเจอกระทั่งมีจิตที่เป็นผู้รู้ขึ้นมานะจิตเนยังหลงอยู่ในโลกของความคิดยังใช้ไม่ได้อีก ถ้าจะเจริญปัญญาถ้าจำจี้จำใจมากเลยต้องแยกธาตุแยกขันธ์กายส่วนกายเวทนาส่วนเวทนาสังขารส่วนสังขารจิตส่วนจิตแยกธาตุแยกขันธ์ไม่เป็นอย่ามาคุยเรื่องปัญญาไม่มีหรอกอันนี้ไม่ใช่หลวงพ่อพูดเองด้วยนะอาจามหาบัวพูดไปว่าถ้าไม่พิจารณาแยกธาตุแยกขันธ์อย่ามาอวดเรื่องปัญญาไม่มีหรอกมันตรงกันนะระหว่างครูบาอาจารย์สายปริยัติกับสายปฏิบัติ สายปริยัติเขาจะสอนต้องมีแยกรูปแยกนามนามรูปปริเฉทญาณแยกรูปแยกนามเนะี่ยเป็นปัญญาเบสิกที่สุดเลยเป็นปัญญาขั้นที่หนึ่งเลยชื่อนามรูปปริเฉทญาณงั้นถ้าเราไม่มีสตินะก็อย่ามาอวดเรื่องศีลไม่มีจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เ บ, บิกบานยังอวดไม่ได้ว่ามีสมาธิจิตสงบเฉยเฉยเนี่ยอย่ามาอวดเรื่องสมาธินะยังไม่พอจิตสงบนอกศาสนาพุทธเขาก็มีไม่ใช่ไม่มี แต่ถ้าจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยที่ไหนก็ไม่มีนะมีอยู่ในคําสอนของพระพุทธเจ้าพุทธะก็คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั่นเองงั้นถ้าไม่มีจิตผู้รู้นะสมาธิยังใช้ไม่ได้ถ้าแยกธาตุแยกขันธ์ไม่เป็นยังเจริญปัญญาไม่ได้จริงเนะีนะ่ยสิ่งที่หลวงพ่อสอนนะี่จะเรียงลําดับอยู่ นี่บางทีฟังซีดีแล้วจะงงเดี๋ยวขึ้นตรงนั้นเดี๋ยวขึ้นตรงนี้เพราะแต่ละวันคนฟังไม่เหมือนกันไม่ใช่คนเดียวกันนะไม่ได้สอนเป็นลําดับลําดับไปหลวงพ่อเห็นมีการเทศของครูบาอาจารย์อยู่องค์หนึ่งนะที่ท่านเทศเป็นลําดับลําดับไปคือของท่านอาจารย์มหาบัวทเทศให้คนที่ใกล้ตายคนหนึ่งฟังออกมาเป็นทำหนังสือเล่มหนึ่งชื่อทำเตรียมพร้อมนะเทศเป็นลําดับลําดับไปทําไมเทศเป็นลําดับลําดับเทศให้คนเดียวฟัง ประเทศให้พันคนฟังร้อยคนฟังมันไม่เป็นหรอกเราก็ต้องเลือกฟังนะว่าตอนไหนธรรมะอันนี้อยู่ในจุดไหนจุดไหนของการปฏิบัติอยู่ในขั้นศีลอยู่ในขั้นสมาธิหรือในขั้นปัญญาการฝึกสมาธินั้นในความจริงก็คือการฝึกจิตนะถึงเรียกว่าศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขามีศีลสิกขาศึกษาเรื่องศีลแล้วสิ่งที่ได้มาคือศีล จิตสิกขาเรียนเรื่องจิตสิ่งที่ได้มาคือสมาธิสองชนิดสมาธิที่สงบกับสมาธิที่ตั้งมั่นปัญญาสิกขาจะเรียนเรื่องวิธีแยกธาตุแยกขันธ์แยกรูปแยกนามพอแยกรูปแยกนามเป็นแล้วเนี่ยต้องรู้วิธีที่จะรู้รูปรูปประธรรมรู้แบบหนึ่งนำมาทำรู้อีกแบบหนึ่งรูปประธรรมรู้ลงปัจจุบันขณะน ำ, นำมาทำเนี่ยตามรู้เห็นปัจจุบันสันติอย่างโกรธขึ้นก่อนแล้วรู้ว่าโกรธไม่ใช่รู้ในขณะที่โกรธ ในขณะที่โกรธนั้นสติไม่เกิดหรอกนะสิ่งเหล่านี้เราเรียนนะถ้าเราเรียนแล้วการปฏิบัติจะไม่ยากมันไม่ใช้เวลามากธรรมะของพระพุทธเจ้าเลยเป็นธรรมะที่รัดสั้นตัดตรงไปสู่ความพ้นทุกขนะ์อย่างฉับพลันเลยรวดเร็วมันเป็นธรรมะของพระมหาบุรุษคุณลักษณะหนึ่งของธรรมะของพระมหาบุรุษให้ผลเร็วไม่ช้าไม่ใช่ธรรมา20ปีก็เหมือนเดิม กีปีกีปีก็เหมือนเดิมแนละมีแต่สงบแล้วก็ฟุ้งซ่านนั้นแสดงว่ายัางไม่ได้เข้าใจคําสอนของพระพุทธเจ้าที่แท้จริงนี่อย่างพอพูดนะว่าต้องเรียนทั้ง3มเรื่องเรื่องศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาเรียนทั้งสามเรื่องมันไม่ใช่งานน้อยๆทํำยังไงดนะีพวกเราอะไรก็ต้องฟาสต์ฟู้ดนะต้องน้อยๆไว้ก่อนแต่เวลาสมบัติชอบเยอะนะเวลาปฏิบัติเนี่ยชอบน้อย สมบัติได้ยิ่งเยอะยิ่งดีการปฏิบัติยิ่งน้อยยิ่งดีหลวงพ่อมันดูดูหน้าวิธีที่จะง่ายๆเลยพวกเราหัดรู้จิตรู้ใจตัวเองไปถ้าดูจิตถูกต้องนะก็มีศีลนะดูจิตถูกต้องก็ได้สมาธิดูจิตถูกต้องได้ปัญญาดูจิตถูกต้องวันหนึ่งถึงบีมุติ์นี่ถ้าเราจะเล่นเรื่องจิตอันเดียวเลยถามว่าทําได้ไหมทำได้ทําได้นะเล่นได้แต่ต้นจนจบเลย เรื่องเรื่องของจิตอันเดียวถ้าเราศึกษาให้ถ่องแท้ทํำยังไงเราจะศึกษาจิตให้ถ่องแท้เราคอยรู้ทันมัน <S <S อย่าไปยุ่งอย่าไปแทรกแซงมั น, นจิตเป็นยังไงค่อยรู้ไปเรื่อยๆนะนี่การที่เราค่อยรู้จิตไปเรื่อยเนี่ยเราจะเห็นพัฒนาการของตัวเองได้อันนี้เข้าเป็นวิธีปฏิบัติแล้วนะถ้าใครยังไม่รู้ยังไม่มีวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมกับตัวเองยังหาวิธีอยู่รู้หลักที่หลวงพ่อบอกแล้วแต่ยังหาวิธีปฏิบัติไม่ได้ ลองฟังดูวิธีที่ง่ายๆหลงพ่อว่าง่ายนะถ้าบางคนไม่ถูกจริีที่ว่ายากยากง่ายของแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่างบางคนเนี่ยคิดเลขรู้สึกยากนะบางคนชอบคิดเลขก็คิดเลขง่ายไม่มีอะไรทําก็าไปนั่งเห็นพวกเด็กๆ เ, เขาเล่นนะเป็นช่องๆ่เอาเลขมาใส่เราเห็นเราปวดหัวตายเลยเราไม่ชอบคิดเลขง่ายๆ ย, ยากไม่เหมือนกันหรอกนี่หลวงพ่อจะลองบอกวิธีง่ายๆที่หลวงพ่อเคยทํำ ก็คือการดูจิตดูใจของเราเองถ้าดูจิตเป็นจะมีศีลดูจิตเป็นจะมีสมาธิดูจิตเป็นจะเกิดปัญญาดูจิตเป็นจะได้วีมุตนะิดูยังไงให้เกิดศีลอะไรทําให้เราผิดศีลต้องรู้อันนี้ก่อนตัวที่เป็นตัวผิดศีลที่แรกคือใจเราผิดศีลก่อนนะกายวาจามันถึงจะผิดได้เพราะฉะนั้นตัวจิตเนี่ยตัวสําคัญเลยเป็นตัวแตกหักเลยทําทั้งหลายนั้นใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้า สำเร็จได้ด้วยใจกรูสก็สำเร็จได้ด้วยจิตใจของเราเนี่เองครูสอนก็สำเร็จได้ด้วยจิตใจของเราเนี่ยเองนั้นถ้าเราจะเรียนแบบย่อยๆเลยนะเราคอยรู้ทันจิตใจของตัวเองไปกิเลสอะไรเกิดขึ้นในจิตในใจนะคอยรู้ทันกิเลสอะไรเกิดขึ้นในจิตในใจคอยรู้ทันรู้ได้ไหมที่จะรู้ทันกิเลสของตัวเองยากเกินไปไหมไม่ยากหรอกจะบอกให้ใครไม่รู้จักความโกรธไม่มีทุกคนรู้จักความโกรธ ใครไม่รู้จักความโลภมีไห ม, ม, มไม่มีนะทุกคนรู้จักความโลภใครไม่รู้จักฟุง้งซ่านใครไม่รู้จักปวดหูมีไหม Graph. ไม่มีฟุง้งซ่านเป็นยังไงเราก็รู้จักใช่ไหมปวดหูเป็นไงเราก็รู้จักดีใจเป็นไหมเสียใจเป็นไหมสุขเป็นไหมทุกเป็นไหมเฉยเฉยเป็นไหมเราเป็นทุกอย่างนะเรารู้จักทุกอย่างอยู่แล้วสภาวะที่เกิดขึ้นกับจิตใจเราไม่ใช่ไม่รู้จักอิจฉาก็เป็นเห็นไหม รู้ไหมใบความอิจฉาหน้าตาเป็นยังไงความรู้สึกของอิจฉาเห็นไหมโกรธเป็นยังไงรู้จักไหมกลัวเป็นยังไงกลัวกับกังวลเหมือนกันไห ม, มกลัวกับกังวลเหมือนกันไหมก็ไม่เหมือนอีกเห็นไห ม, มกังวลบางทีกังวลสเปสสปะไปแต่กลัวบางทีกลัวสเปสสปะเหมือนกันไม่รู้กลัวอะไรสุดท้ายจริงๆกลัวตายจะตาย ความรู้สึกนานาชนิดในจิตในใจนั้นเป็นสิ่งที่พวกเรารู้ได้อยู่แล้วแต่เราละเลยที่จะรู้ถ้าเราคิดถึงการปฏิบัติไม่ยากอะไรนะความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นแก่จิตกับใจค่อยรู้ไปเรื่อยๆเราจะเห็นเลยวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยสิ่งที่เกิดกับจิตใจเราบ่อยมากๆเลยก็คือกิเลส ท, ทั้งหลายนั่นเองนะกิเลสเกิดกับใจเราตลอดเวลานะเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านรู้สึกไหมฟุ้งทีหนึ่งก็หนีไปคิดทีฟุ้งทีงก็หนีไปคิดที เวลาที่เราหนีไปคิดเราลืมกายเวลาที่เราหนีไปคิดเราลืมใจลืมตัวเองเนขาดสตินะนี่เรามาฝึกตัวเองจิตนี้ไปคิดนะหรือว่าอะไรเกิดขึ้นในจิตในใจนะคอยรู้ไปนะคอยรู้ทันเรื่อยๆไปราคะเกิดขึ้นก็ค่อยรู้โทสะเกิดขึ้นก็ค่อยรู้ฟุ้งซ่านเกิดขึ้นก็รู้หดหู่เกิดขึ้นก็รูนะ้ถ้าเรารู้ทันบ่อยๆเนี่ยจิตจะเกิดศีลอัตโนมัติขึ้นมา ก็อยังความโกรธเกิดขึ้นแก่ใจเรารู้ทันนีในทันทีที่เรารู้ทันความโกรธนั้นไม่ต้องไปห้ามมันความโกรธจะกระเด็นออกไปจากใจเราโดยอัตโนมัติเลยเพราะความโกรธกับสตินั้นเกิดร่วมกันไม่ได้เกิดร่วมกันไม่ได้เด็ดขาดนะความโกรธกับสติกิเลสกับสติเนี่ยไม่เกิดร่วมกันเมื่เรามหัดคอยรู้ใจตัวเองบ่อยๆกิเลสอะไรเกิดขึ้นคอยรู้กิเลสอะไรเกิดขึ้นคอยรู้เพราะหัดบ่อยๆเนี่ย จิตมันจําสภาวะของกิเลสได้โอ้ราคะหน้าตาอย่างนี้เองราคะนะพอเกิดขึ้นแล้วใจมันเยิมเยิมนะใจมันเยิมเยิมมันอยากจะไปตะครุบอันโน้นอยากดึงอันนี้เข้ามาหาตัวเองโทสะเกิดขึ้นแนละ้วใจมันเร่าร้อนนะอยากจะผลักทุกอย่างให้กระเด็นออกไปให้หมดเลยโมหะเกิดขึ้นนะใจมันจับจดนะหมุนไปหมุนมาตัดสินใจไม่ค่อยจะถูกเนะี่ยเราค่อยรู้สภาวะมันไปเรืย ความโกรธเกิดขึ้นก็คอยรู้ความโลภเกิดขึ้นก็รู้ความหลงเกิดขึ้นก็คอยรู้ความลังเลสงสัยเกิดขึ้นก็คอยรู้ให้คอยรู้กิเลส ท, ที่เกิดขึ้นบ่อยๆโดยเฉพาะราคะโทสะนี่แหละตัวสำคัญเป็นตัวที่ดูง่ายที่สุดเวลาที่เราดูจิต ด, ดูใจนะตัวโทสะเนี่ยเห็นง่ายที่สุดรองลงมาคือตัวราคะตัวโมหานี่ดูยากแล้วละเอียด งั้นเราก็ไม่ต้องยุ่งยากอะไรนะถ้าเราดูโทสะได้เราก็ดูโทสะไปดูราคาได้เราก็ดูราคาไปเอาแค่สองตัวก่อนก็พอละได้สองตัวนี้ก็ไม่ผิดศีลนละอย่างโทสะเกิดขึ้นในใจเราพอโทสะเกิดขึ้นมันจะเกิดความคิดเบียดเบียนล้างผลาญคนอื่นขึ้นมาอยากทําลายสิ่งต่างๆที่เราไม่พอใจพอโทสะเกิดเรารู้ทันเนีเราจะไม่เบียดเบียนล้างผลาญใครเด็ดขาดเลยความโกรธเกิดขึ้นรู้ทัน ความโกรธจะดับอัตโนมัติเมื่อความโกรธไม่มีจะไปฆ่าเขาไหมก็ไม่ฆ่าจะไปตีเขาก็ไม่ตีจะไปด่าเขาเขไม่ด่าเห็นไหมมันมีสีอัตโนมัติเกิดขึ้นมานั้นเราให้เราคอยมีสตินี่แหละรู้ทันจิตตัวเองกิเลสอะไรเกิดรู้ทันนะอย่างความโลภเกิดเรารู้ทันความโลภมันจะครอบงําจิตไม่ได้เพราะความโลภครอบงําจิตไม่ได้นะเราจะไปขโมยใครไหมก็ไม่ขโมยเพราะมันไม่โลภไอขโมยเขาเพราะมันอยากได้ ใคฆ่าเขาได้ไหมโลภใครฆ่าเขาเนะีก็เพื่อจะแย่งของเขาก็ทําได้อีกผิดศีลได้อีกนี่ไหไปรักไปขโมยเขาก็ทําได้ไปโกหกปลิ้นปล้อนหลอกลวงผิดศีลข้อสีได้อีกไปประพฤติผิดในกรรมได้อีกนะี่ความโลภมันเกิดอยากกินเหล้าเมายาเวลากินเหล้ารู้สึกไหมอยากกินเหล้าอย่างเงี้ยนะอยากเฮฮาอยากสนุกสนานนะมันทําให้ผิดศีลถ้าเรามีสติรู้ทันจริงๆนะราคาใดๆเกิดขึ้นที่ใจนะ ศีลเราก็ไม่ดั่งพลอยแล้วเพราะว่าราคาครอบงําใจไม่ได้มันจะกระเด็นออกไปจากใจเราใจอยู่ส่วนใจนะกิเลสส่วนกิเลสแยกออกจากกันมันครอบงําจิตไม่ได้มันกระเด็นออกไปแล้วราคาไม่ครอบงํานั้นก็ไม่ไปฆ่าเขาเพราะราคะไม่ไปขโมยเขาก็ราคะไม่เป็นชู้กเขาเพราะราคะไม่ไปปิ้นปล่อนหลอกลวงเขาเพราะราคะไม่เตลิดเปิดเปิืองขาดสตินะเฮเฮหาฮไปด้วยอํานาจของราคะเนี่ยเห็นไหมแค่เราหัดรู้ทัน ราคาโทสะที่เกิดขึ้นในจิตในใจเรานะสินห้าง่ายๆไม่ยากเลยแล้วถ้ารู้ได้ละเอียดขึ้นไปอีกตัวความฟุง้งซ่านคนเราผิดศินข้อสีนะ่ไม่ใช่เพราะราคะไม่ใช่เพราะโทสะอย่างเดียวแค่ฟุ้งซ่านก็ผิดศินข้อสีได้ละฟุ้งซ่านเราพูดปล่อยพพูดเพิรเจอร์นึกออกไหมถ้าใจมันอยากพูดนะมันคุยจ้อยๆ้มันขันใครเคยเห็นใจขันออร่างกายขันนะใครๆก็เห็นนะ แต่ใจมันคันได้นะใครเคยเห็นยกมือให้โดดซิมีไหมโอ้พวกขันเยอะนะพวกเก่งนะเห็นใจมันขันใจมันขันแล้วมันใครเคยเห็นใจหิวบ้างใจหิวหิวอารมณ์นะอใจมันหิวท้องไม่หิวแต่ใจหิวท้องวันหนึ่งหิวไม่กี่ครั้งนะใจหิวทั้งวันเลยถ้าเราคอยรู้ทันเนี่ยใจมันขันเนี่ยมันทนไม่ได้แล้วอยากพูดแล้วรู้ทันมันไม่พูดพอเจอหรอกน งั้นเราม so ีสติรู้ทันจิตของเราไว้นะกิเลสอะไรเกิดที่จิตคอยรู้ทันไหมศีลจะรักษาง่ายมากเลยเพราะอะไรเพราะเรารักษาจิตไว้ได้ถ้าจะว่าเรารักษาจิตจริงๆเราก็ไม่ได้รักษาจิตสิ่งที่มารักษาจิตให้เราคือสติะฉนั้นองค์ธรรมของสติประการหนึ่งนะก็คือทําหน้าที่อารักขาอาที่หน้าที่คุ้มครองรักษาจิตนั่นเองแล้วเราคอยมาฝึกนะกิเลสอะไรเกิดที่จิตคอยรู้กิเลสอะไรเกิดที่จิตคอยรู้ และสตินั่นแหละจะรักษาจิตไม่ให้กิเลสครอบงําเพราะสติรักษาจิตไม่ให้กิเลสครอบงําได้แล้วเนี่ยเราจะมีศีลอัตโนมัติเกิดขึ้นเห็น ไ, ไหมหัดดูจิตนะเรารักษาศีลง่ายเนี่ยพวกเราใครรู้สึกรักษาศีลง่ายขึ้นยกมือหน่อยซิยกหน่อยเทศล้วนๆไม่ถามเลยนะเดี๋ยวหลับเพราะบางคนเริ่มอาวุโสแล้วนะเช้าก็หลับบา่ายก็หลับนะบางคนเด็กๆก็เหมือนกันนะเช้าๆบางคนมันหลับตื่นกลางคืน กลางคืนกลคื น, น, นพ่อแม่ให้นอนไม่นอนนี่หัดมีสติรู้ทันกิเลส ท, ที่เกิดที่จิตเราจะได้ศีลเป็นศีลชั้นยอดเลยศีลที่เราไม่ต้องรักษาเป็นศีลอัตโนมัติเพราะสติเป็นคนรักษาสติรักษาจิตไม่ให้ถูกกิเลสครอบงาจิตก็ไม่ผิดศีลถ้าจิตไม่ผิดศีลกายวาจาก็ไม่ผิดศีล น, นี่เห็นไหมดูจิตนะได้ศีลต่อไปมาหัดดูจิตให้เกิดสมาธิ สมาธินะ่ะมีสองอันนะสมาธิสงบกับสมาธิตั้งมั่นนะอาศัยสตินี่แหละนะคอยรู้ทันจิตไว้เบื้องต้นหากรรมฐานมาสักอันหนึ่งก่อนพุนะโทโธก็ได้ลมหายใจก็ได้แล้วคอยรู้ทันจิตพุตโทโธแล้วรู้ทันจิตหายใจแล้วรู้ทันจิตพุนะตโทโธแล้วจิตฟุ้งซ่านรู้ทันหายใจแล้วจิตฟุ้งซ่านไปรู้ทันก็กิเลสเหมือนกันนะแต่เป็นกิเลสที่ละเอียดกว่าราคะโทสามโมหะธรรมดาแนละเป็นกิเลสระดับนิวรณ์ งั้นถ้าสติเรารู้ทันกิเลสหยาบหยานั้นเราจะได้ศีล น, นะรู้ทันนิวรกิเลสระดับกลางๆลนี่ยจะได้สมาธิขึ้นมานิวรเป็นศัตรูของสมาธินิวรเช่นใจมันหิวอารมณ์ใจมันหิวอารมณ์นะอยากดูอยากฟังอยากได้กลิ่นอยากได้รสอะไรเนี่ยอยากกระทบสัมผัสทางกายใจมันหิวใจมันคันมันอยากขึ้นมาเรามีสติรู้ทันนะใจก็จะไม่ฟุ้งไปกิเลสมันจะมาคอยยั่ว ให้จิตเนี่ยหลงไปอยู่ในโลกของความคิดกิเลสทุกตัวเลยนะไปยั่วให้จิตหลงไปอยู่ในโลกของความคิดราคาเกิดเราจะไปคิดถึงคนที่เรารักไปคิดถึงสิ่งที่เราอยากได้ใช่ไหมอยากได้บีบอยากได้ไอโฟนอะไรเดนิสเบอร์อะไรเบอร์สี่มี iPad i ไบ้องๆ อ, อะไรไม่ยั่วแย่ไปหมดเลยนะมีเงินเท่าไหร่ก็ไม่พอความอยากนะ ใจมันจะหิวใช่ไหมพอเราอยากได้อะไรนะเราชอบอะไรนะใจมันจะไหลไปหาสิ่งนั้นะ่ะเวลาเราเกลียดอะไรใจเราก็ไปหาสิ่งนั้นนึกออกไหมเวลาเราเกลียดคนไหนมากเราคิดถึงบ่อยรู้สึกไหมเวลาเราไม่รักไม่เกลียดเราไม่ค่อยคิดถึงตอนนี้อยู่ที่บ้านใครแต่งงานนานๆแล้วรู้สึกไหมสามีแต่งตัวไงไม่รู้หรอกนะภรรยาวันนี้ไปทําผมมาใหม่ไม่รู้หรอกนะ ไม่รักไม่เกลียดนะนี่กลางๆถ้าเขาเห็นเราทุกกระเบียดนี้อย่านึกว่าเขารักนะอไม่แน่นะมันอาจจะคอยจ้องนังนี้จะมาไม้ไหนอะไรอย่างเงี้ยคอยจับผิดหรือีตาตาแก่หัวงูมันจะไปเลื้อยไปไหนอะไรงี้ยนั้นเวลาที่เรารักหรือเราเกลียดเนี่ยเราจะสนใจจิตมันจะสนใจมากนะมันรักใครจิตก็ไหลไปหาคนนั้นอยากได้อะไรจิตก็ไหลไปหาสิ่งนั้น มันชอบใครมันเกลียดใครก็เหมือนกันนะนเกลียดใครมันก็ไปคิดถึงสิ่งนั้นอย่างเรามีเสื้อสวยๆตัวหนึ่งซื้อมาตัวหนึ่งนะตอนเลือกก็ว่าเนิยบแล้วนะซื้อมาอย่างดีเลยสวยพอมาถึงบ้านนะเพราะว่ามีเส้นได้รุ่ยๆออกมาหน่อยนะมันแบ่งไปนิดเดียวนะแบบถ้าไม่ตั้งใจมองไม่เห็นเสื้อทั้งตัวสวยๆเนี่ยเราจะไม่มองอีกต่อไปละเราจะมองไอร้รอยที่แบ่งๆนี่แหละจริงไหมเกลียดมันใช่ไหมมองด้วยความรักไหม ดีจังเลยมีรู้อไม่มีรอกงั้นรักอะไรนะก็สนใจสิ่งนั้นเกลียดอะไรก็สนใจสิ่งนั้นการที่เรารักเราเกลียดนี่ใจเราจะไหลไปหาสิ่งนั้นถ้าเรารู้ทันนะใจเราฟุ้งไปแล้วความรักเกิดขึ้นเราก็จะคิดถึงสิ่งที่เรารักเรารู้ทันแล้วจิตหลงไปคิดถึงสิ่งที่รักแล้วใจก็ไม่ฟุ้งไปหาสิ่งที่รักทันทีที่รู้ทันนะใจที่ฟุ้งซ่านก็จะดับไปกิเลสชั้นนิวรณ์เนี่ยทาให้จิตฟุ้งซ่านทั้งหมดเลย รักก็ทำให้ฟุ้งไปหาสิ่งที่รักเกลียดก็ทำให้ฟุ้งไปหาสิ่งที่เกลียดสงสัยก็ฟุ้งไปหาคำตอบฟุ้งฟุ้งไปหาคำตอบไปคิดหาคำตอบใหญ่อยากถามหลวงพ่อประโมทจับฉลาด ก, ก็ไม่ได้รุ่มใจจะแย่อยู่แล้วไนะ อ, อ, อ, อ, อ, อ้คนที่ถามก็ไม่เห็นจะมีฉลาดเลยนะไปฟังซีเดียวก็ได้มาถามทำไมนะอะ อ, อย่างเนยใจเะาจไปใจมันจะฟุ้งคอยรู้ทันใจที่ฟุ้งซ่านไว้แล้วใจจะสงบ วิธีถ้าจะช่วยมันนะฝึกวิธีฝึกหัดพุดโทโธไปหัดหายใจไปแล้วใจไหลไปใจฟุ้งซ่านไปค่อยรู้ถ้ารู้ไปด้วยใจจะค่อยๆเชื่องสงบอยู่กับพุโทโธสงบอยู่กับลมหายใจอย่างนี้ได้สมถะกรมรมฐานได้ความสงบได้จิตที่มีสมาธิชนิดสงบขึ้นมานะแต่ถ้าฉลาดกว่านั้นอีกไม่ได้มุ่งเอาความสงบนะความสงบก็ดีเหมือนกันถ้าทําได้เอาไว้พักผ่อน มันมีสมาธิอีกชนิดหนึ่งคือใจตั้งมัน่นใจที่ตั้งมั่นก็คือใจที่ไม่ไหลไปไม่ส่งออกนั่นเองนั้นเราคอยรู้ทันใจที่ส่งออกนะใจก็จะไม่ส่งออกได้ด้วยงั้นเราคอยฝึกนะหัดรู้ทันจิตตัวเองเนี่ยรู้ทันจิตไปกามาฉันท่าเกิดขึ้นรู้ทันจิตจะสงบพยาบาทเกิดขึ้นเรารู้ทันจิตจะสงบวิจิกิจฉาเกิดขึ้นเรารสสู้ทันความลังเลสงสัยเกิดขึ้นรู้ทันจิตสงบอุทัดจะกูกุดจะใจมันฟุน้งนะ แล้วก็หงุดหงิดรำคาญมันรู้ทันมันไปอีกรู้ทันว่าจิตใจมันฟุ้งซ่านรู้ทันว่ามันรำคาญใจจิตก็สงบเนี่ยถ้าเรารู้ทันนิวรณ์นะจะได้ความสงบแล้วก็ถ้าพลิกอีกนิดเดียวนะมันต่างกันนิดเดียวแทนที่จะมุ่งเอาความสงบเนี่ยเรามาคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไหวนะไม่ได้มุ่งเอาสงบละแต่มุ่งที่จะรู้ทันจิตจิตนี้ไปคิดคอยรู้จิตนี้ไปคิดคอยรู้นี้ไปดูนี้ไปฟังนี้ไปดมกลิ่นนี้ไปลิ้มรสคอยรู้ทัน ตรงที่รู้กรรมาฉันทะเนี่ยรู้แรงผลักที่ทำให้จิตวิ่งไปอีกอันหนึ่งก็คือรู้ทันการที่วิ่งไปของจิตจะต่างกันนิดเดียวนะมันมีกิเลสมีนิวรณนเกิดขึ้นอ่ะมันผลักให้จิตวิ่งไปถ้าเรารู้ทันแรงผลักอันเนี้ยจิตจะสงบนะจิตจะสงบแต่ถ้าจิตมันเริ่มวิ่งไปแล้วเรามีสติรู้ทันจิตที่วิ่งไปนะมันจะหยุดวิ่งมันจะตั้งมั่นขึ้นมาดังนั้นถ้าเรารู้ทันจิตที่ไหลนะ จะเกิดจิตที่ตั้งมั่นนะถ้ารู้ทันแรงผลักให้จิตไหลเราจะได้สมาธิได้ความสงบนะแยกออกไหมตรงนี้แยกออกไหมถ้าแยกไม่ออกฟังไม่ทันมีวิธีเดินหน้ามารับซีดีไปนะ <c oughs> มาฟังเอาใหม่ฟังหลายหลทีต้องรู้จนได้หรอไม่โง่ขนาดไม่รู้เรื่องหรอกนะถ้าฟังไปคิดไปไม่รู้เรื่องฟังไปจับผิดไปไม่รู้เรื่องนะฟังด้วยใจสบายใจเปิดกว้างแป๊บเดียวกว็รู้เรื่องสิ่งที่หลวงพ่อสอนไม่ใช่ยากเกินไป มันประณีตเท่า น, นั้นเองละเอียดมันประณีตนี่เรามาฝึกเรื่อยนะถ้ามีแรงผลักดันให้จิตวิ่งไปเรารู้ทั น, นจิตจะสงบถ้าจิตวิ่งไปจิตส่งออกนอกไปแล้วเรารู้ทันจิตที่เคลื่อนไปจิตจะตั้งมั่นจะตั้งขึ้นมานะตั้งขึ้นมาแล้วก็ตรงที่แบบถ้ารู้ทันแรงผลักนะถ้าจิตสงบเนี่ยถ้ารู้ตัวอยู่นะจิตก็จะตั้งมั่นด้วยนะ เห็น ไ, ไหมวิธีฝึกมันอุย้ยมันพลิกแปลงได้สารพัดเลยนะการปฏิบัติไม่ยากหรอกสนุกมากเลยมันงั้นเรามาคอยรู้นิวรณ์นะจิตจะสงบเรารู้ทันจิตที่ส่งออกนอกจิตที่ไหลไปไหลามาจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพอเราได้จิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วนะทุกวันเราก็ซ้อมนะซ้อมทําในรูปแบบนี่นแหละนะแล้วก็รู้ทันนิวรณ์นะรู้ทันจิตที่ไหลจะได้ทั้งสองอย่างได้สงบด้วยได้ตั้งมั่นด้วย รู้ทันไปด้วยวันไหนมันฟุ้งมากนะก็รู้แรงผลักของจิตนะมันเดือดปุดปัดปุดปัดน้ําอยากวิ่งรู้ทันอย่างนี้จิตก็ค่อยสงบลงไปถ้าวันไหนมันสงบแล้วสบายพอสมควรแล้วเห็นมันค่อยค่ไหลไปก็มิดกระเมียนหนีไปนะใครเคยเห็นจิตหนีไปถ้าเห็นจิตหนีเนี่ยเก่งนะส่วนมากเห็นตอนหนีไปแล้วใครเคยเห็นตอนแอบรึบบรึนะคืบคลานนะคืบคลานจะหนีถ้ารู้ทันมันไม่เป็นไร ถ้าไม่รู้ทันแล้วก็หนีไปเลยถ้าหนีไปแล้วรู้ก็ยังดีนะยังดีไม่สายเกินไปไม่ตกนรกนานตกในช่วงที่หนีนะั่นแหละพอรู้ทันก็หลุดออกจากขุมนรกคือความทุกข์ที่กําลังมีอยู่งั้นหัดดูจิตนอกจากจะได้ศีลหัดดูจิตยังได้ความสงบหัดดูจิตจะได้ความตั้งมั่นแต่ดูคนละแง่คนละมุมกันนะเห็นกิเลสหยาบห ย, ยาบเกิดขึ้นเรามีสติรู้ทันนะมันครอบงำจิตไม่ได้จะได้ศีล เห็นนิวรณ์เกิดขึ้นเรารู้ทันนะมันจะไม่มีแรงผลักดันให้จิตฟุ้งซ่านจิตจะสงบนะเห็นจิตที่เคลือคลอคล่อนไปเคลื่อนมาเคลื่อนไปเคลื่อนมานะจิตจะตั้งมัน่นพอจิตตั้งมั่นแล้วมันจะมีลักษณะที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนะไม่หลงไปไม่ไหลไปเราอาศัยจิตที่ตั้งมั่นนี่แหละเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมันจะไม่ตั้งแบบแข็งแข็งนะถ้าตั้งแล้วแข็งกระด้างปึ๊กอย่างเงี้ยไม่ได้เลยอย่างนี้ไม่ใช่จิตผู้รู้แล้วนี้ นี่เป็นจิตติดคุกติดตารางแล้วกระดุกกระดิกไม่ได้แข็งไปหมดงั้นไม่ดีเราคอยรู้ทันจิตที่หนไปคิดเราจะได้จิตผู้รู้ที่นุ่มนวลขึ้นมาจิตจะเบาจิตจะอ่อนโยนนุ่มนวลจิตจะคล่องแคล่วว่องไวควรแก่การงานจิตชนิดนี้นอกจากการใช้วิธีรู้ทันจิตที่ไหลแลจะทํามาได้อีกวิธีหนึ่งคือการทําฌานถ้าดําฌานได้ถึงฌานที่สองจะได้ตัวจิตผู้รู้ที่เข้มแข็งมากขึ้นมาตั้งแต่ฌานที่สองขึ้นไป ออกจากฌานแล้วตัวรู้จะทรงตัวอยู่ได้เป็นวันๆบางที่อยู่ได้เจ็ดวันอยู่ได้นานทรงนานแต่ถ้าใช้วิธีจิตไหลไปแล้วรู้ไหลไปแล้วรู้จะทรงความรู้สึกตัวอยู่ได้สั้นๆไม่นานเรียกว่าคณิกาสมาธิชั่วขณะแต่ชั่วขณะก็สําคัญนะเพราะเวลาอาริยมรรคเกิดเนี่ยไม่เกิดนานๆแต่เกิดขณะเดียวเท่านั้นเองงั้นหัดมีคณิกาสมาธิก็ยังมีโอกาสจะได้อริยมรรคในวันหนึ่งไม่ใช่ไม่มีเลยนี่พวกเราก็ลองหัดดูนะ ถัดไปเราลองมาดูว่าทํำยังไงดูจิตแล้วจะเกิดปัญญานี่หลวงพ่อเล่นเรื่องจิตล้วนๆเลยนะวันนี้ดูจิตยังไงให้มีศีลดูจิตยังไงให้มีสมาธิชนิดสงบดูจิตยังไงให้มีสมาธิชนิดตั้งมั่นนี่พอจิตตั้งมั่นแล้วมาดูจิตต่อวิธีดูให้เกิดปัญญาเนี่ยอย่าไปเพ่งให้นิ่งเราต้องการดูไตรลักษณ์ปัญญานั้นจะต้องแสดงต้องเห็นไตรลักษณ์ถึงจะเรียกว่าปัญญาถ้าไม่เห็นไตรลักษณ์ไม่เรียกว่าปัญญา เนี่ยสิ่งที่หลวงพ่อสอนวันนี้นะคือสิ่งที่เป็นที่สุดของที่สุดทั้งนั้นเลยนะสุดของสุดของสุดเลยในหลวงเคยถามหลวงปู่เทศอะไรเป็นที่สุดของศีลอะไรเป็นที่สุดของสมาธิอะไรเป็นที่สุดของปัญญาในหลวงท่านไม่ธรรมดาท่านต้องเล่นที่สุดที่สุดเลยหลวงปู่เทศบอกนะที่สุดของปัญญาคือไตรลักษณ์ถ้าไม่เห็นไตรลักษณ์ไม่ใช่นะยังไม่ใช่ งั้นถ้าเราอยากจะเห็นไจรักณ์ทํำยังไงเราจะเห็นไจรักษณ์ต้องหัดแยกรูปแยกนามแยกธาตุแยกขันธ์ก่อนนะถ้าคนไหนถนัดดูกายาก็เห็นร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตเป็นคนดูอยู่ส่วนหนึ่งอันนี้สําหรับคนถนัดดูกายคนไหนถนัดดูเวทนานะเห็นร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งเวทนาอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งเห็นไหมมีจิตแทรกอยู่ทุกอันไม่ว่าจะทํากรรมฐานอะไรก็ต้องมีจิตถ้าไม่มีจิตแยกออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูนะอย่ามาอวดเรื่องเจริญปัญญาไม่มีหรอกนะ ถ้าไม่มีจิตตั้งมั่นขึ้นมาจริงๆนะไม่มีปัญญาจริงหรอกถ้าจะดูจิตดูใจเราไม่ได้ดูจิตตรงๆหลวงปู่ดูลสอนดูจิตดูจิตบางคนเข้าใจพลาดนะเรียนแล้วไม่ซึ้งพอนะเรียนผิวเฟินเลยคิดว่าไปดูตัวจิตหลวงปู่ดูลสั่งนะอย่าใช้จิตแสวงหาจิตอีกกลับหนึ่งก็หาไม่เจอสอนอย่างนี้นะงั้นที่ว่าดูจิตดูจิตนั้นดูอะไรดูความปรุงแต่งของจิตต่างหากล่ะเราจะคือจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิต จิตนั้นไร้ร่องรอยไร้รูปลักษณไม่มีตัวมีตนไปดูมันตรงๆไม่ได้เราต้องดูความปรุงของมันความปรุงแต่งของจิตนี่เรียกว่าจิ ต, ตสังขารสังขารนี่ก็เหมือนร่างกายนี่ตัวนี้กายสังขารเราจะเห็นคนคนนี้เห็นคนคนนี้เราเห็นคนคนนี้เราเห็นกายสังขารของเขาใช่ไหม hmm. เราถึงได้บอกอ๋อนี่คือคนนี้ความจริงเราไม่ได้เห็นตัวคนนั้นหรอกแต่เราเห็นกายสังขารของเขา การจะดูจิตดูใจก Aa, ็เห ม, มือนกันดูตัวจิตตรงๆไม่ได้ไม่มีอะไรให้ดูเราดูจิตตสังขารต่างหักกระทั่งหลวงปู่มั่นสอนหลวงปู่ดุลนะไม่ได้สอนให้ดูจิตตัวตรงๆนะหลวงปู่มั่นสอนหลวงปู่ดุลสอนบอกว่าสัพเพสังขาราสัพพสัญญาอนิจจาสังขารทั้งหลายสัญญาทั้งหลายนะไม่เที่ยงสัพเพสังขาราสัพพสัญญาอนัตตาสังขารทั้งหลายสัญญาทั้งหลายเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตน นี่พิชาดูจิตเขาดูกันตรงนีนะ้แต่ยังขาดไปอันนะนที่หลวงปู่มั่นท่านเลือกมาสอนหลวงปู่ดูลเนี่ยท่านสอนเรื่องสัญญา ก, กับสังขารถ้าจะให้ครบอนะ่ะมันจะมีเวทนาอีกตัวหนึ่งถ้าดูเวทนาได้อีกตัวตัวนี้ตัวเวทนากับตัวสัญญานี่แนหะเป็นตัวจิตต์สังขารทําให้จิตปรุกแต่หลวงปู่ดูลท่านคงเหมาะกับการดูสัญญาการสังขาร หลวปู่มั่นก็เลยสอนสัญญากับสังขารให้ท่านสอนเท่านี้ท่านไปของท่านได้แล้วแต่ถ้าจะให้ครบสูตรในการดูจิตนะก็จะดูเวทนาดูสัญญาดูสังขารมีสมตัวดูเวทนาคือดูความรู้สึกสุรู้สึกทุกข์ที่เกิดขึ้นดูสัญญาก็คือการที่ใบหมายรู้อารมณ์มันชอบไปหมายรู้อารมณ์แต่ตัวนี้ดูยากนะแปลไว้ก่อนดูสังขารก็คือดูความปรุงดีปรุงชั่วของจิต แช่จิตมีราคะให้รู้ว่ามีราคะจิตมีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะตู้จิตเขาดูกันอย่างนี้นะไม่ใช่ไปดูตัวจิตตรงๆบางคนไปเพ่งตัวจิตให้นิ่งเลยเพ่งตัวจิตให้นิ่งไตรักไปอยู่ที่ไหนเริ่มต้นไปเพ่งมันก็เพ่งด้วยโลภะนั่นแหละมีโลภนะนั่นมันถึงจะเพ่งถ้าไม่มีโลภะไม่เพ่งหรอกในขณะที่มีโลภะแล้วไปเพ่งเนี่ยโลภะเป็นกิเลสการเพ่งเป็นการกระทํากรรมในอภิธรรมจะสอนเลยกิเลสเป็นสหาชาตปัจจัยของกรรม กิเลสไม่ใช่เป็นเหตุปัจจัยอย่างเดียวนะยังเป็นสหาหชาตปัจจัยด้วยหมายถึงเกิดร่วมกันเลยเกิดพร้อมกันเลยนะยังอยู่ด้วยกันเลยเพราะฉะนั้นถ้ามีความโลภอยากดูจิตแล้วไปจ้องอยู่ที่จิตนีในขณะนั้นความโลภมีอยู่ตลอดสายของการดูจิตเมื่อความโลภมีอยู่สติตัวจริงจะไม่เกิดเพราะสติจะไม่เกิดร่วมกับกิเลสนะเฉะนั้นเวลาดูจิตเดีย๋ยวไปจ้องใส่ตัวจิตนะจ้องใส่ตัวจิตนี่ผิดเลย ให้ทำยังไงให้ดูความเปลี่ยนแปลงของจิตง่ายกว่ากันเยอะเลยจิตของเราเปลี่ยนทั้งวันเปลี่ยนทั้งคืนรู้สึกไหมเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์ใช่ไหมนี่ดูเวทนาเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายนี่คือตัวสังขารใช่ไหมตัวสัญญานี่แปลงไว้ก่อนนะดูยากจริงๆเลยนะตัวสัญญาณเป็นตัวหมายหมายรู้หมายว่านี่สีเขียวนี่สีเหลืองนะีหมายนี่หมายออกนอกนะดูยากแล้วมีหมายรู้อีกชนิดหนึ่งนะ หมายรู้ผิดผิดหมายรู้เอาของไม่สวยไม่งามว่าสวยว่างามหมายรู้เอาของไม่เที่ยงว่าเที่ยงหมายรู้เอาของที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขหมายรู้เอาของที่ไม่ใช่ตัวใช่ตนว่าเป็นตัวเป็นตนนี่สัญญาเป็นตัวหลอกลวงทั้งนั้นเลยะมันเล่นยากนะอย่าเพิ่งไปเล่นแฝงไว้ก่อนนะเราบารมีไม่ขนญญาดโหลปุดุลเราดูเวทนาไปดูสังขารไปมันปลุงอะ่ะปรุงแล้วจิตมันเข้าไปไหมายตีสัญญาเข้าไปไหมจยตีนะไปตีความไปให้ค่าจริงนะค่อยๆสังเกตไป เนี่ยถ้าเรารู้อย่างนี้เราจะเห็นเลยว่าจิตนี้ไม่เที่ยงจิตเดียวก็เกิดร่วมกับความสุขแล้วจิตที่มีความสุขก็ดับไปจิตเดียวก็ร่วมเกิดร่วมกับความทุกข์แล้วจิตที่มีความทุกข์ก็ดับไปนี่เห็นว่าจิตไม่เที่ยงแล้วจิตที่มีความโกรธเกิดขึ้นอยู่ชั่วคราวแล้วจิตที่มีความโกรธก็ดับไปจิตที่มีความโลภเกิดชั่วคราวแล้วจิตที่มีความโลภก็ดับไปจิตที่หลงเกิดชั่วคราว จิตที่ฟุ้งซ่านจิตที่หดหูเกิดชั่วคราวแล้วก็ดับไปนะนี่เราเห็นอย่างนี้นะถึงจะเห็นใจรักษถ้าไม่เห็นใจรักษไม่เห็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาของจิตไม่ใช่การเจริญปัญญาแต่คือการทําสมถะกรรมฐานดังนั้นการไปเพ่งจิตให้นิ่งคือสมถะกรรมฐานนะไม่ใช่วิปัสสนากรรมฐานดั้นะอย่าไปเพ่งให้จิตนิ่งนะแต่ว่าต้องมีตัวหนึ่งเป็นคนดูนะคนดูนี่มันนิ่งอยู่ในตัวเองแต่อย่าไปเพ่งใส่มันถ้าเพ่งแล้ว มีนาศสันตโลเลยหลวงพ่อไม่เคยเห็นกรรมฐานอะไรถ้าทําผิดแล้วไปติดนานเหมือนไปเพ่งตัวผู้รู้เลยหลวงพ่อเคยพลาดนะไปฟังคําสอนครูบาอาจารย์องค์หนึ่งชื่อหลวงพ่อหลวงพ่อคืนท่านก็เก่งของท่านนะวันหนึ่งหลวงพ่อไปวัดท่านเวลาดูจิตก็ดูเหมือนที่พวกเราชอบดูเดี๋ยวนี้ชอบส่งจิตไปดูแล้วคิดว่าดูจิตอยู่นะแล้วก็ไหลไหลไหลไหไปดูอยู่โน่น่หลวงพ่อคืนก็โวยเลยเฮ้ยประโมท ดูอะไรอย่างนั้นทำไมไม่ดูผู้รู้ตรงนี้นี่ดูกลับมาที่ผู้รู้นี่แทนที่จะบอกว่าให้รู้ทันว่าจิตไหลท่านไม่ใช้คํานี้ท่านบอกให้มาดูผู้รู้เราก็นึกอ๋อต้องไปเพ่งผู้รู้เลยนี่ได้เคล็ดลับสุดยอดวิชาละวันนี้ยปิดประตูกุฏิเลยนะเข้ากุฏิเลยแต่ถ้าไปอยู่วัดดูตัวผู้รู้ปุ๊บมันเกิดตัวผู้รู้ซ้อนตัวผู้รู้ทันทีเลยตัวผู้รู้แรกกลายเป็นตัวถูกดูเกิดตัวผู้รู้ที่สองไปเพ่งตัวผู้รู้ที่สองปุ๊บ เกิดตัวรู้ที่สามขึ้นมาแถนนะไปเพ่งตัวที่สามนะจนถึงอินฟินิตี้เลยนะที่เรียกว่าวิญญาณเป็นอนันต์ตัวนี้จะไปสู่อรูปฌานนะชื่อวิญญาณอันจายตนะถ้าไปแล้วพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้เนี่ยเราไม่ได้ฟังพระสิยานเทศอีกแล้วนะจะไม่ได้ยินเลยหนะลงไปไกลเลยดูตั้งแต่หัวค่ำนะใกล้สว่างนะในที่สุดพระพรหมตกตกพรหมโลกโมโหเลยนะเฮ้ยอย่างนี้มันผิดนี่หว่า เนี่ยมันผิดแล้วล่ะนะตอนไดอารุนสว่างแล้วนะเปิดประตูโครมออกมานะจะไปซัดกับหลวงพ่อคืนลจะไปเล่นงานจะไปต่อว่าไม่ได้ซัดอย่างอื่นนะจะไปต่อว่าว่าสอนอะไรอย่างนี้นท่านก็เก่งกว่าเราอีกท่านผลักประตูออกมาโครมรเผ ช, ชิญหน้ากันเลยท่านให้อยู่ใกล้ๆท่านนะเรากำลังจะต่อว่าท่านท่านเอาก่อนเลยให้ hey, ประโมทภาวนางไงไม่ได้เรื่องเลย <c oughs> บอก็หลวงพ่อแหละสอนให้มาดูตัวผู้รู้ บอกไม่ได้สอนอย่างงั้นสอนให้รู้ว่าอย่าถล่มไปเอาแล้วทําไมไม่บอกอย่างนั้นน่ะ <c oughs> ปรากฏว่าต่อไปนะพอเริ่มทําสมาธิจับตัวผู้รู้ปั๊บเลยโอ๊ยกว่าจะถอดออกมาได้แนละ้วเป็นปีเลยนะงั้นพวกเราอย่าไปเพ่งใส่ตัวผู้รู้นะอย่าใช้จิตแสวงหาจิตนะอีกกลับหนึ่งก็ไม่เจอมันซ้อนไปอย่างเงี้ยอีกกับหนึ่งก็ไม่เจ อ, อ, องัอกกนงอ้นอย่าไปเพ่งใส่จิตอย่างเด็ดขาดเลยดูจิตมันทํางานดูความเคลื่อนไหวดูความเปลี่ยนแปลงของจิตนะถึงจะเห็นไตรลักษ ถ้าไม่เห็นไตรลักษณ์ไม่ใช่วิปัสนาะงั้นถ้าเราเห็นจิตมีความเกิดดับถ้าใครสอนว่าจิตเที่ยงนะกากบาทเลยมิจฉาทิจิเพราะพระพุทธเจ้าบอกจิตเกิดดับจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปทั้งวันทั้งคืนท่านสอนอย่างนี้ถ้าใครบอกจิตเที่ยงไม่ใช่เราไม่ใช่ลูกศิษย์พระพุทธเจ้าแล้วเราต้องเห็นจิตมันเกิดดับแต่ไปดูตัวจิตตรงๆไม่ได้มันไม่เห็นอาศัยจิตตสังขารอาศัยความปรุงของจิตทําให้เรารู้จิตมีราคะกับจิตมีโทสะไม่เหมือนกัน นะจิตมีความสุขกับจิตที่มีความทุกข์ไม่เหมือนกันคนละตัวกันเราก็เลยเห็นเลยจิตมีราคะ เ, เ, เกิดแล้วก็ดับจิตมีโทสะเกิดแล้วก็ดับจิตฟุ้งซ่านเกิดแล้วก็ดับจิตหดหูเกิดแล้วก็ดับจิตเป็นสุขเกิดแล้วก็ดับจิตเป็นทุกข์เกิดแล้วก็ดับการที่เห็นซ้ําแล้วซ้ําอีกนะถึงจุดหนึ่งจิตมันจะสรุปได้เกิดปัญญารวบยอดตอนที่จะเกิดอริยมรรคเนี่ยมันจะเกิดปัญญารวบยอดขึ้นมามันเห็นแจ้งเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนี้ดับทั้งสิ้น การที่มันเห็นว่าจิตทุกชนิดเกิดเราดับเนี่ยนะมันซ้ําแล้วซ้ำอีกมันคือการเรียนแบบวิจัยนะทำวิจัยซุมตัวอย่างคือเอาจิตนั่นแหละมาเป็นตัวอย่างของการศึกษาแล้วเราเห็นเลยจิตทุกชนิดเกิดเราดับทั้งสิ้นในที่สุดจิตมันจะสรุปได้ว่าสิ่งใดเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดดับเป็นธรรมดาจะเห็นอย่างนี้นะคำว่าธรรมดาธรรมดาธรรมดานะยอมรับไม่ได้นะ เรายังยอมรับไม่ได้แต่ตรงที่ได้ธรรมะนั่นแหละใจมันยอมรับธรรมดาที่ว่ามีดวงตาเห็นธรรมนะ่ยคือยอมรับแล้วว่าธรรมดามันเกิดเราดับนะเพราะงั้นจะไปดูจิตดูจิตแล้วไปเพ่งจิตให้นิ่งไม่มีไม่มีธรรมดาหรอกผิดธรรมดาแล้วนะจิตเที่ยงจิตเที่ยงจิตสุขจิตรู้สึกบังคับได้คนะวบคุมได้เนี่ยนิ่งมาสามวันแล้วยังนิ่งอยู่อย่างนี้แหละนะกลายเป็นมิจฉาทิฏฐิซะอีกเห็นเป็นของไม่เที่ยงว่าเที่ยงนะ ไปหมายรู้ผิดผิดเห็นของเป็นทุกข์นะว่าเป็นสุขเหนืออยู่ตรงนี้เลยมีความสุขนั้นไหลออกจากตรงนี้แล้วทุกข์นิพพานอะไรปลุพลุโผล่โผม้อยู่ตรงนี้เรื่องนีนิพพานเดี๋ยวก็หลุดออกไปอยู่ข้างนอกไม่ใช่นิพพานอย่างนิพพานพลุพลุโผล่โลใช้ไม่ได้นะหลวงพ่อเคยโดนหลวงปู่บุญจันทร์จวกมาแล้วเฮ้ยนิพพานอะไรมีเข้ามีออกเท่านจวกอย่างนี้นะนั้นอย่าไปดูจิตเราไปเพ่งให้นิ่งนะแต่ใจต้องตั้งมั่นเป็นคนดูให้ได้ วิธีฝึกให้ตั้งมัน่นเป็นคนดูคือใจไหลไปเรารู้ไหลแล้วรู้ใจจะตั้งมั่นถัดจากนั้นดูความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของจิตไปดูความรู้สึกนานาชนิดที่หมุนเข้ามาในจิตไปเราจะเห็นเลย ia, ความโลภก็อยู่ชั่วคราวความโกรธก็อยู่ชั่วคราวจิตโลภก็อยู่ชั่วคราวจิตโกรธก็อยู่ชั่วคราวทั้งสภาวะทั้งหลายที่ปรุงแต่งจิตท <me els> ั้ง <Johns> ตัวจิตนั้นเกิดดับไปพร้อมๆกันจิตโลภก็เกิดพร้อมกับความโลภจิตโลภดับไปพร้อมกับความโลภ จิตโกรธก็ เ, เกิดพร้อมกับความโกรธแล้วจิตโกรธก็ดับไปพร้อมกับความโกรธดับไปไม่เกิดดับพร้อมกันนะจิตกับจิตสิกเกิดดับพร้อมกันนี่พุทธเจ้าสอนอย่างนี้นะนี่สอนให้จิตนิ่งนิ่งว่างว่างบ้าบบ่ๆไรอยางเ้ยยากไปไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราดูจิตไปเรื่อยเห็นไหมดูดูจิตถ้ารู้ทันกิเลสนะกิเลสหยาบหยาเกิดเรารู้ทันเราจะได้ศีลนะดูจิตถ้ารู้ทันนิวรณ กนะิเลสระดับกลางนิวรนเป็นความฟุ้งซ่านนานาชนิดนะนะฟุ้งไปในกามฟุ้งไปในสิ่งที่ไม่พอใจฟุ้งไปในความสงสัยฟุ้งสเปสสะ่าใจจะสงบได้สมถนะถ้าดูจิตแล้วรู้ทันจิตที่ไหลรู้ทันจิตที่ไหลจะได้จิตที่ตั้งมั่นนะพอได้จิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ขึ้นมานะอย่าไปเพ่งใส่ตัวผู้รู้แค่มีอยู่เท่านั้นแล้วก็เห็นเลย จิตมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเดี๋ยวโบเดียเด๋ยวโกรธเดี๋ยวหลงเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกดูความเปลี่ยนแปลงดูไปตามธรรมชาติธรรมดาไม่ต้องดอดจอรอนะดูไปธรรมดานะไม่ใช่ต้องดีเลิศสมแอนเตนตลอดเวลาไม่ใช่ดีก็รู้ว่าดีนะเร็วก็รู้ว่าเร็วดูเข้าไปซื่ อ, อเลยแล้วจะเห็นว่าดีก็ชั่วคราวเร็วก็ชั่วคราวทุกอย่างชั่วคราวดูอย่างนี้เจ็วันเจ็ดเดือนเจ็ดปีดูเข้าไปนะถ้าไม่มีบุญมากหรือกรรมมากก็จะได้มากผลหรอกบุญมากไปไม่ได้มากผล อย่างบางคนมุ่งไปเป็นพระพุทธเจ้ามุ่งไปเป็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้ามุ่งเป็นอักขรสาวกอยากเป็นพระเอตะทะะักคะนะพวกนี้บารมีมากพวกนี้มุ่งของใหญ่นะเลยไม่ยอมบรรลุมากผลง่ายๆนะสะสมกันนานพวกพวกหนึ่งชั่วมากเกินไปนี่พวกนี้เขาดีเกินไปนะเขาพุ่งพุทธภูมิมุ่งอะไรของดีๆพวกหนึ่งชั่วเกินไปนะทำอนันตริยกรรมมาฆ่าพ่อฆ่าแม่อนะไรเงี้ย ยุคนี้เราไม่รู้ว่าใครเป็นพระอาหารหันต์นี่มาฆ่าพระอาหารหันต์เราไม่รู้ว่าใครเป็นพระอาหารหันต์วัดไม่ได้ฆ่าพ่อฆ่าแม่เนี่ยวัดได้นะทําพระพุทธเจ้าให้ห่อเลือดเราไม่มีปัญญาธรรมแล้วนะไม่รู้จะไปทําตรงไหนนะทําสงแตกแยกระวังนะทําสงแตกแยกยุให้พระตีกันระวังนะ <c oughs> ถ้าเราไม่เล็วเกินไปนะโอกาสได้มรดกได้ผลมันก็มีอีกอันหนึ่งก็เรื่องอาริยุปวาัตโธดา่าพระ ดพระอันนี้ก็จะขวางนะแต่อันนี้ยังแก้ได้ขอข้ามาแก้ได้แต่ทำอนันตริยกรรมฝ่ายชั่วแล้วแก้ไม่ตกล้วนะแก้ไม่ตกเหมือนอย่างพระเจ้าอาชาติศัตรูไปฟังพระพุทธเจ้าเทศนะท่านเทศสามัญ่าผลสูตรให้ฟังพอฟังจบแล้วนะก็ปลื้มใจนะขอเป็นอุบาสกตลอดชีวิตแล้วก็ศรัทธาพระพุทธเจ้ามากเลย การพระเจ้านิพพานเนี่ยอาชาตศัตรูสลบแล้วสลบอีกเลยเสียดายมากเสียใจะฟาชาติศัตรูไปแล้วนะกลับวังไปแล้วนเนี่ยพระพุทธเจ้าก็บอกกับพระเลยว่าถ้าอาชาติศัตรูไม่ได้ฆ่าพ่อคือไม่ได้ฆ่าพระเจ้าพิมพิสารนะวันนี้อาชาติศัตรูจะเป็นพระโสดาบันแต่ที่ไม่ได้เป็นเพราะไปฆ่าพ่อมาแล้วเห็นไหมอันนี้กรรมตัวนี้มันกว้างเพราะฉะนั้นเลิศไปเลยดีเลิศก็กว้างนะเร็วเลิศก็กว้างนะอมส่วนพวกเราก็พวกลกลางกลาไม่ดีไม่เล็วเกินไปใช่ไหม พวกนี้พอได้อยู่งั้นหัดนะหัดไปมีสติรู้จิตรู้ใจของเรานี่แหละตั้งแต่ต้นสายยันถึงปลายทางได้ถึงขั้นสุดท้ายก็ไปได้นะขั้นสุดท้ายนะไม่ว่าภาวนามาอีท่าไหนจะมาลงที่จิตที่เดียวกันนี้หมดเลยจะดูกายมาดูเวทนามาดูอะไรมาสุดท้ายมันจะมาตะลุมบอลลงที่จิตนะจะไม่เห็นอริยสัจแห่งจิตนะเห็นในตัวจิตนะั่นแหละตัวทุกข์ นะจิตมันเป็นทุกข์เพราะไม่เที่ยงจิตเป็นทุกข์เพราะถูกบีบขันจิเป็นทุกขังจิตเป็นทุกข์เพราะบังคับไม่ได้ไม่ไร้สาระจิตสลัดจิตทิง้งจิตสลัดจิตทิ้งแล้วเหลืออะไรทิ้งจิตไปแล้วเหลือธรรมหลวงปู่เทสึ่งบอกสิ้นโลกเหลือธรรมนะสิ้นโลกเลยนะโลกขันห้านั่นแหละตัวโลกสลัดจิตทิ้งไปเหลือธรรมมันเกิดจิตชนิดใหม่ขึ้นมาแทนนะจิตที่ที่ไม่เกาะเกี่ยวกับอารมณ์จิตที่ไม่มีอะไรย้อมติด ในจิตที่มีความสุขมีความปลอดภัยที่สุดเลยมีความสุขจิตธรรมนั้นอยู่ด้วยกันเป็นอันเดียวกันครูบาอาจารย์ท่านเรียกว่าจิตหนึ่งบ้างจิตเดิมแท้บ้างเรียกว่าใจบ้างเรียกว่าจิต เ, เดียวบ้างสมเด็จญานท่านเรียกวิญญาณธาตุอาจามหาบัวท่านเรียกว่าธรรมธาตุคือสิ่งเดียวกันนั่นเองพอเราปล่อยวางจิตได้แล้วมันจะเกิดจิตอีกชนิดนึงขึ้นมาซึ่งมันแนบอยู่กับเป็นเนื้อเดียวกับธรรม อยู่กับธรรมแล้วมีความสุขที่สุดเลยจิตที่ร่วมเข้ากับธรรมจิตสัมผัสพระนิพพานไม่มีเข้ามีออกนะไม่ใช่ในิพพานมีเข้ามีออกไม่มีเข้ามีออกเลยแค่มานัศสิการแค่ะระลึกถึงนิพพานจิตก็สกัมผัสกับนิพพานมันสัมผัสกันอยู่ตลอดและ้ะเวลามีธุระต้องมายุ่งกับโลกก็ใช้ธาตุใช้ขันธ์ทำงานก็ออกไม่ไม่ได้ไม่ได้ไปสัมผัสไม่ได้ไปจับแต่ว่าไม่ได้พลากออกจากพระนิพพานแต่ว่าไปไม่ได้ไปหมายรู้มันแยกออกจากกัน แต่ไม่ใช่ไม่ใช่หลุดออกนะเป็นเป็นเนื้อเดียวกันอยู่แต่ว่าความเพ่งเล็งของจิตการมานัสิการถึงอารมณ์ภายนอกที่เป็นสมมตุติเป็นบัญญัติอะไร น, นั่นสร้างสมมติสร้างบัญญัติขึ้นมาสร้างภาระขึ้นมาอาศัยขันอาศัยขันเป็นสื่อสื่อกันขันอันนี้ยากไปหน่อยละอ่ะพอดีพอดีนะเอาเท่านี้ก็แล้วกันสรุปวันนี้สอนดูจิตนะ ดูจิตล้วนๆเลยนะอันนี้ดูจิตให้มีศีลดูจิตให้มีสมถะมีสมาธิดูจิตให้สมาธิชนิดตั้งมั่นดูจิตให้เกิดปัญญาดูจิตจนเกิดวิมุตติดูจิตจนปล่อยวางจิตถัดจากนั้นไม่ต้องดูเพราะว่าคืนจิตให้โลกแล้วไม่ต้องดูอีกนะอ่ะต่อไปเชิญกับน้ำมศการค่ะออตอนนี้รู้สึก ใจมันแข็งแข็งดีที่รู้นะดีที่รู้ออตอนนี้มีปัญหาว่า เ, ออเวลานั่งสมาธิอะค่ะคือแต่ก่อนจะใช้วิธีพุทโธแล้วก็ดูลมหายใจอะค่ะแต่ว่ามันจะเกิดอาการว่าเคลิ้มเคลิมง่วงๆอตอนนี้ก็เลยเปลี่ยนมาใช้วิธีว่าถ้า ใจไหลไปทางทางกายทางใจหรือว่าทางทางหูทางตาแล้วก็รู้แต่ว่าก็ยังมีอาการว่ามันจะมันจะติดเคิมเคิมาค่ะเหมือนจังมันเคยมันเคยชินนะมันเคยน้อมเข้าหาความสุขความสงบบางทีมันเบื่อโลกข้างนอกมันก็วูบเข้ า, ข า, ขาไปข้างในนะจะหนีแเราจะต้องทำยังไงอะ่ะรู้สึกตัวไป นะแทนที่จะต้องนั่งสมาธิแล้วหลับตาเราก็นั่งลืมตาสินะแล้วก็เดินไปก็ได้รู้รสึกตัวนั่งไปก็ได้ความรู้สึกตัวทำอะไรก็คอยรู้สึกตัวไปนะรู้สึกตัวไปเรื่อยไม่ค่อยเคลิ้มแต่ถึงจุดหนึ่งของการปฏิบัติบางทีฉีก็เคลิ้มได้อีกนะทั้งๆ ท, ที่สติเข้มแข็งมากเลยเนะี่ยมันเป็นช่วงๆของการปฏิบัติเราจะเริ่มเดินปัญญาได้ยังไงคะต้องเริ่มเดินปัญญาด้วยการแยกธาตุแยกขันธ์ เห็นไหมว่าร่างกายกับจิตโคแลนกันเห็นไหมว่าความสุขความทุกข์กับจิตกับร่างกายเป็นโคแลนกันเอนั่นแหละมันเริ่มเดินปัญญาได้นะถัดจากนั้นเราก็เห็นเลยร่างกายก็ส่วนร่างกายร่างกายไม่ใช่ตัวเราเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งไม่ใช่ตัวเรากุศลอะกุศลที่เกิดขึ้นเห็นไหมห้ามไม่ได้บังคับไม่ได้เลือกไม่ได้สุขทุกข์ก็เลือกไม่ได้เนี่ยดูไปเนี่ยดูไตรลักษณ์ของ ของธาตุของขันที่มันกระจายออกไปนั่นแหละถึงจะเดินปัญญาวิธีที่ทําอยู่ใช้ได้ไหมคะอา้าวถ้าแยกเป็นก็ใช้ได้สิขณะนี้รู้สึกไหมว่ากายกระใจคนละอานกันรู้สึกบ้างไหมค่ะโอนั่นแหละก็ใช้ได้นะถ้าเราฝึกมาถึงขั้นแยกธาดแยกขันได้มันก็เริ่มเดินปัญญาได้ถัดจากนั้นก็แค่เห็นธาตุเห็นขันมันทํางานไม่ใช่เราทํางานนะแค่นั้นเอง ถ้าแยกธาดุแยกขันธ์ไม่ได้อย่ามาอวดเรื่องปัญญาที่อาจารย์มหาบัวบอกนี้นะอ้าวว่าไปครับตั้งแต่เด็กๆก็ไม่รู้ว่าปฏิบัติมาไม่รู้จะปฏิบัติเพื่ออะไรอะครับอะไรนะตั้งแต่เด็กๆอะครับตัวเล็กๆเลยก็ชอบนั่งสมาธิก็กปฏิบัติมาก็ไม่รู้ว่าปฏิบัติเพื่ออะไรจนมาอมย่างเข้าปีที่สามนะครับที่เจอหลวงพ่อก็รู้ว่าทำอะไรไเนี่ย เ, เพื่อมามมผ่านนะมันเคยทํามามีอุปนิสัยนะ มันอยากปฏิบัติมาแต่เล็กๆพวกนี้ภาวําไม่ยากหรอกคอยดูถ้าดูขันมันทํางานไปมันแยกออกไปเราก็ดูมไปนะไม่เห็นมีเราตรงไหนเลยสุดท้ายไม่จะรวมลงมาที่จิตนะเห็นว่ากระทั่งจิตก็ไม่ใช่เรานะดีกรีของความเป็นตัวเราตอนนี้มันก็รู้สึกได้ว่ามันลดลงเลยนั่นแหละนั่นแหละนะมันจะกายไม่ไม่ใช่เราแล้วเวทนาสังขารไม่ใช่เรานะมันเหลือได้จิตเป็นเราครับเอ าจากอย่างนั้นก็ใครรู้ใครดูถ้าถ้าจิตไม่หลงไปในความคิดความเป็นเราจะไม่เกิดเดือนหน้าจะได้มีโอกาสไปบวชเข้าพรรษานะครับเ อ, อโมก <ขอ S 2> <น>าช่วยแนะนำด้วยครับอย่าหวังว่าจะดีครับมีหน้าที่จเจริญสติไปทุกวันทุกวันนะทําอย่างที่ทําเลยนะนับหนึ่งตลอดเวลานะอย่าดูคนอื่นอย่าดูคนอื่นนะพระอื่นเขาจะดีจะเลวเรื่องของเขานะเราดูใจของเราไปมีสติรู้กายรู้ใจได้ไป ทำน้ำส ก, กัดครับอย่าเปลี่ยนแนวที่กาลังทํานะเพราะว่าทํามาดีแล้วกับน้ำส ก, กาดค่ะหลวงพ่อมาขอคําแนะนําการปฏิบัติเพิ่มเติมอะค่ะแล้วทํามาถึงไหนแล้วล่ะจะได้บอกเพิ่มคือก็ทุกวันนี้ก็คือพยายามทําในรูปแบบก็เป็นเป็นวิ่งอะค่ะวิ่งประมาณวันละครึ่งชั่วโมงเวลาทำจะโลภไหม ม, มีความโลภแทรกไหมหรือทําเป็นพุทธบูชาไม่หวังผล โลภหลงตลอดเวลาน่า้ไปดูตัวนั้นนะตัวนั้นหลักวังอยู่คือด <c oughs> ูให้รู้ทันจิตที่มันโลภนะพอมันโลภนะมันดิ้นรนมันดิ้นว่าทํายังไงจะดีทำยังไงจะดีนะให้รู้ทันซะใจระหว่างะะระหว่างที่วิ่งอย่างนี้ยหรอคะคือระหว่างระหว่างที่วิ่งก็คือให้รู้ทันใจที่แบบอยากไปอย่า ง, งนี้ใช่ใช่รู้ทันใจที่อยากนะเพราะใจมันอยากก็มันก็จะดิ้นรนไปด้ว่อยถ้าดิ้นรนมันก็ปรุงไปด้วยมันไม่ยอนอยู่นิ่งให้เรารู้หรอก หนูไปดูตรงที่ใจอยากอะอ่ะต่อไปธรรมศการพระอาจารย์เจ้าค่ะอยากจะกราบเรียนถามเกี่ยวกับเรื่องอุเบกขานะคะอุเบกขานี่เป็นสิ่งที่เรามันเกิดขึ้นเองหรือเราต้องฝึกที่จะวางก่อนคะเวลาที่มีสิ่งกระทบในสังคมนี่มันมีสิ่งกระทบเนี่ยมากเลยในะปัจจุบันเนี่ยนะคะนี้ในขั้นต้นนี่เราต้องหัด อุเบกข า, กขามันทาได้หลายอย่างนะอุเบกขาเพราะสติก็ได้จะอุเบกขาเพราะสมาธิก็ได้อุเบกขาเพราะปัญญาก็ได้อย่างน้อยเวลาใจเราไม่เป็นกลางเราค่อยรู้ไว้จใจเรายินดี ค, คอยรู้ทันใจเรายินร้ายคอยรู้ทันนะตรงที่เรารู้ทันนี่เรามีสตินะความยินดียินร้ายดับไปอุเบกขามันก็เกิดขึ้นอีกอย่างหนึ่งก็ทําสมาธิจนกระทั่งปีติสุขดับไปใจเป็นกลางเฉยอย่างเงี้ย อันนี้อุเบกขาซื้อบื้อ <Yeah S 2> พอออกมาข้างนอกแล้วเนี่ยถอยออกจากสมาธิแล้วจะไม่อุเบกขาจะรุน <Okay. S 2> แรงกว่าปกติอุอเบกขาอย่างเนี้ยเกิดเพราะปัญญาเราหัดรู้หัดดูหันมีสติดูความเปลี่ยนแปลงไปด้วย <Okay. S 2> ต่อไปจิตมันรู้ว่าทุกอย่างเป็นของชั่วคราวทุกอย่างเหมือนภาพลวงตาทุกอย่างเหมือนความฝันนะเกิดมามัน mm hmm. อุเบกขาหมดเลยอะไรมามันก็อุเบกขา น, นี่ด้วยปัญญาอย่างเนี้ยดีที่สุด <Okay. S 2> แต่ว่าอาศัยอุเบกขาด้วยสติไปก่อน ยินดีขึ้นมารู้ทันยินร้ายขึ้นมารู้ทันอย่าไปบังคับจิตให้อุเบกขาบังคับไม่ได้ตัวนี้แหละแล้วก็เราจะวางจิตยังไงคะเวลาที่เราใกล้จะตายเวลาใกล้จะตายเนี่ยนะคะมันจะมีเวทนาซึ่งเราก็จะต้องดูเวทนาเราแยกยังที่หลวงพ่อสเนี่ยนะหัดแยกธาตุแยกขันธ์ไปด้วยเพราะถ้าเราเห็นร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่ง เวทนาก็เป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้าในกายเป็นอีกสิ่งหนึ่งจิตเป็นอีกอย่างหนึ่งนะถ้าเราแยกได้ตัวนี้เราพร้อมจะตายแล้วตอนนี้ถ้าตอนนั้นมันขาดสติสัมปชัญญะเราจะครเพราะว่าเวลาเขาเราไปอบายก็ตอนนั้นมันคอนโทรลไม่ได้ไม่ได้อยู่ที่เราฝึกของเราตอนนี้นะถ้าเราฝึกจนเรามีสติอัตโนมัตินะเวลาจะตายเนี่ยมันจะอัตโนมัติขึ้นมาของโยมอย่ากังวลมาก เราไม่ใช่เลวร้ายขนาดมันจะไปง่ายๆหรอกอบายฮะจ้วค่ะและเท่าที่ยอมฝึกคือฝึกมานานแล้วนะจ๊ะคะถูกต้องไหมคะถูกทางเปล่าจ้ะค่ะถูกสิถูกมาเป็นลำดับลาดับนะต่ไปนี่หัดแยกธาตุแยกขันให้มากที่โยกฝึกเมื่อก่อนฝึกสมาธิใช่ไหมหรือไง นั่งสมาธิไม่ค่อยได้ค่ะแต่ดูที่สิ่งที่มากระทบอายตนะทั้งหกเวลา <ela> <oo> ดูสิ่งมากระทบเนี่ยนะถ้า จ, จงใจดูนะจะเป็นสมาธิ อ, า อ, อย่างตากระทบรูปแล้วจงใจไปรู้ที่ผัสสะทางตานี่เป็นสมถาะาแล้วจงใจไปดูไปเพ่งไว้ตากระทบรูปแล้วจงใจรู้รูปนี่ก็เป็นสมถะตากระทบรูปแล้วจงใจรูจ้จักภูประสาทนะจักประสาทรูปจ้องอยู่ตรง น, ะนะี้ก็เป็นสมถะ เพราะงั้นสมถามันเกิดอัตโนมัติเลยนี่ถ้าใช้วิธีว่าทำใจกลางๆแล้วดูสิ่งที่มาเยือนรู้แล้วก็ปล่อยวางปล่อยวางนี่ถูกต้องไหมจ๊ะเ่อยเป็นหน้าที่ของปัญญาปัญญาเป็นตัวปล่อยเราปล่อยไม่ได้เราเราจะยึดอย่างเดียวเลยปัญญาจะเป็นคนปล่อยจ้าค่ะพยยมใช้วิธีนี้ถ้าจะตายนะนอนดูร่างกายมันตายสมน้าหน้ามันเราเป็นคนดูดูอย่างนี้เลยนะเแกจะตายแล ร่างกายตายไม่ใช่เราตายคิดอย่างนี้เลยนะเราจะปฏบิบัติบูชาพระพุทธเจ้าในนาทีสุดท้ายของชีวิตนี้และเลในวันสุดท้ายของชีวิตนี้แหละเราจะบูชาพระพุทธเจ้าด้วยการปฏิบัติธรรมฉันจะดูแก่ตายดูาธาตุดูขันมันไปนะทำอย่างนี้ไม่ไปอบายแน่นอนเจ้าค่ะกราบขอพบพระคุณเจ้าค่ะดีไม่ประมาทดี กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะหนูขอส่องกันบ้านครั้งแรกนะคะหลังจากที่ปฏิบัติมาทั้งหมด6เดือนค่ะหนูจะนั่งสมาธินะคะโดยอันดับแรกเนี่ยหนูจะแผ่เมตตาก่อนพอแผ่เมตตาเสร็จนะคะจะดําเนินการสมรถธาค่ะ<ม>พอสมถธาเสร็จเนี่ยนะคะหนูจะมองภาพตัวเองอะคะ่ะว่าตัวเองกําลังนั่งสมาธิ<ม>อยู่<ม>ตัวเองกําลังตอนนี้กําลังฟุ้งซ่านอยู่<ม><ม>ตอนนี้ตัวเองกําลังจิตเผลอไปคิด<ม><ม>อยู่ตรงนี้ใช่วิปัสนาไหมคะยังไม่ถึงนะ เป็นแค่หัดรู้หัดจะรู้สึกตัวเท่านั้นยังไม่ถึงวิปัสนาวิปัสนาเนี่ยเราไม่ได้จงใจแล้วล่ะเราเห็นในร่างกายที่พยักหน้าอยู่นี่แหละเห็นสดๆร้อนๆไม่มีเราหรอกแต่ไม่ได้จงใจนึกว่าไม่เป็นเรานะแล้วก็ใจเนี่ยสบายๆใจไม่แข็งๆถ้าใจแข็งนี่นะอย่างนี้ยังไม่ใช่วิปัสนาจิตไม่ดุเป็นการเพ่งเพ่งกายค่ะหลังจากนั้นพ่อค่ะพยักหน้าอยู่เห็นไหม เห็นสบายๆอย่าถลําลงไปเห็นค่ ะ, <น>ะหลังจากนั้นพอลงลงไปนอนหลับอะค่ะจะนอนไม่หลับเลยไม่เป็นไรร่างกายมันหลับนะจิตมันไม่หลับสติมันดีไม่หลับอ๋อค่ะไม่เป็นไรค่ะอตอนกระทาระหว่างชีวิตประจําวันนะคะเวลาโกรธอะค่ะหนูจะรู้ว่าโกรธพอโกรธเสร็จแล้วก็จะรู้ว่าหายโกรธแล้วนะอแต่บางครั้งก็รู้ว่าโกรธแต่ยังไงก็ยังไม่หายจ้างเป็นกลางกับมันให้รู้ทันใจที่ไม่ชอบอะ ใจที่ไม่ชอบความโกรธความโกรธเองเกิดดับตลอดเวลาถ้ามีเหตุความโกรธก็ยังเกิดขึ้นเหตุก็คือการกระทบอารมณ์ที่ไม่ชอบใจงั้นอย่างสมัยเราเกลียดคนนี้นะเห็นมันทีอะไรก็โกรธทุกทีเราเลยนึกว่าโกรธไม่หายสักทีที่แท้ทาเหตุใหม่อยู่ตลอดหรือตรึกในอารมณ์นะั้นนอย่างคนด่าเราหนึ่งครั้งเราคิดพันครั้งโกรธได้พันครั้งนะแต่เขาเลิกด่าไปแล้วจริงๆคิดเองนะเราไปทําเหตุซ้ําขึ้นมาให้จิตเสพอารมณ์ตัวนี้ไปจำอันนี้ขึ้นมานะความโกรธก็เกิดได้อีก นที่หนูบอกดูแล้วไม่หายนะมันอันแรกเลยไม่เป็นกลางไม่ชอบมันอันที่สองเหตุของมันยังมีมันเกิดขึ้นอีกเราไม่เห็นสันตติที่ขาดว่าความโกรธนั้นเคยดับไปทีหนึ่งแล้วแล้วเกิดใหม่แต่เรามองไม่เห็นสันตติขาดเราไม่เห็นเราเลยนึกว่าโกรธยาวไปเรื่อยๆที่แท้มันโกรธใหม่ตอนนี้กาลังพยายามถือสินท่าอยู่อะค่ะแต่ว่าปัญหาของหนูเนี่ยก็คือบางครั้งจะต้องโกหก ซึ่งโกหกเนี่ยโกหกเพื่อให้คนอื่นสบายใจหรือว่าโกหกเพื่อให้คนอื่นไม่เดือดร้อนเนี่ยตรงนี้หนูยังผิดศีลใหอยู่ไหมคะก็ศีลด่งพร้อยนะค่อยคอยฝึกไปเราจะต้องดํา อ, อย่างนั้นหนูจะขอกัวนี้ น, นะการถือศีลเนี่ยนะจะถือได้ดีนะคารวะเนี่ยยากมากเลยในธรรมะนะในพระไตรปิฎกอะไรท่านพูดเรื่อยเลยว่าคารวะเนี่ยถือศีลให้สะอาดหมดจดเหมือนหอยสังที่ขัดดีแล้วยากนะยากโดยเพศของเราทํายาก งั้นเราอยู่ในภาวะอย่างนี้นะเราก็รู้ทันไปว่าอันนี้ไม่ถูกนะมันไม่ถูกมันยังจําเป็นหอยตัวนี้ยังเปื้อนฝุ่นอยู่ก็ดูไปงั้นเลยแต่ต้องฉลาดนะฉลาดที่จะบรรเทาโทษของความผิดพลาดนะ อ, ยาอย่างสมมติว่าเจ้านายสั่งเรานะเจ้านายสั่งว่าใครโทรมาหาให้บอกว่ากําลังประชุมใครเคยเจอไหมนะ เวละว่ามาสั่งนะหลวงพ่อก็เคยโดน่ะเราก็ถือศีลของเรานะเราก็นึกในใจแผ่วๆก่อนโทรศัพท์ห่างๆก่อนเจ้านายสั่ง่ะไปประชุมในในคำภีของฮินดูนะมีอันหนึ่งมหาภารตะมหาภารตะ ย, ยุทธิทเสเถียนนะพี่ชายใหญ่ มีบา ร, รมีมากนะออกทาสงครามเนี่ยรถศึกของแกเนี่ยลอยอยู่เหนือพื้นไม่ติดพื้นเลยนะลอยออกไปรบนะถ้าเราเห็นได้ข้าศึกลอยอย่างี้เราก็กลัวมันแล้วนะนี่ลอยออกไปรบนะเสร็จแล้วแม่ทัพฝ่ายตรงข้ามเนี่ยคืออาจารย์โทรณนะเป็นอาจารย์ของยุทธิเสถียดเองนะแล้วเก่งเหลือเกินเลยลูกศิษย์สู้ไม่ไหว น, ะนะนีพวกยุทธิสถิลเนี่ยออกอู่ใบ ไปทุบช้างตัวหนึ่งตายช้างตัวนี้ชื่อเหมือนลูกชายอาจารย์แล้วก็ตะโกนดังๆเลยว่าไอ้คนนี้ตายแล้วอาจารย์ใจฝ่อเลยอาจารย์ใจฝ่อแล้วก็เลยหันมาถามยุทธิสถิระไม่ถามคนอื่นนะรู้ว่าคนนี้มีสัจจะถามว่าจริงหรือเปล่าชื่อนี้ตายแล้วยุทธิสถีระทำไงถ้าบอกว่าไม่จริงนะสู้อาจารย์ไม่ไหวอันนี้คาพีของฮินดูนะถึงสู้อาจารย์นะ ชาวพุทธไม่มีคำพีสู้อาจารย์นะแกก็บอกอาจารย์โทระนะบอกว่าตายแล้วแล้วก็พูดเบาๆแต่เป็นช้างนะปรากฏว่ารถที่ลอยอยู่เหนือพื้นนี่ตกลงมากระแทกพื้นเลยแต่อาจารย์เนี่ยเซอร์ไม่เห็นว่ารถตกลงมาแล้วนะ ม, มันสูงอยู่นิดเดียวสูงคขึ้นอาจารย์ท้อแท้ใจวางธนูวา ง, วางอะไรเนี่ยลูกศิษย์ยิงตายเลย อย่างเนี้ยผิดศีลป่ะมันตายแล้วแต่มันเป็นช้าง <c oughs> เจตนาอะไรเจตนาให้เข้าใจผิดอ่ะไปคิดเอาเองนะเป็นคารวะถือศีลให้สะอาดหมดจดนั้นยากนักหนาต้องรับโทษรับทุกข์ของมันไปทำต้องรับผลนะอ่ะต่อไปก ล, ลับ<ข> อ, <ป>อกันบ้าหลวงพ่อเพิ่มเติมด้วยค่ะเวลารู้สภาวะอย่าให้จิตถลำไปรู้นะ ให้ดูสบายๆอย่าให้จิตปุบเข้าไปดูอย่างเนี้กลับนมัส ก, การนะคะก็รู้สึกว่าตัวเองมีฉันทะในการปฏิบัติจริงจริงจังก็สักสองอาทิตย์สองอาทิตย์นี้ที่ทําเนี่ยก็คือตอนกลางวันก็จะดูจิตดูกายไปะคะ่ะแล้วก็ตอนปฏิบัติในรูปแบบก็คือจะหลงพ่อเทียนขยับมือะคะ่ะแล้วก็เดินจงกรมค่ะแต่ขยับด้วยความรู้สึกตัวนะคะเดินด้วยความรู้สึกตัวใช้ได้พยักหน้าด้วยความรู้สึกตัวค่ะ ก็ทีนี้ก็ก็เห็นว่าจริงๆก็ตัวเองก็รู้สึกว่ามันก็เปลี่ยนไปคือรู้สึกว่าเราก็เหมือนกับทุกข์สั้นขึ้นคนใกล้ตัวก็จะบอกว่าเราเปลี่ยนไปค่ะแต่ว่าความทุกข์ทางใจเนี่ยมันเกิดร่วมกับโทสะโมูลจิตเท่านั้นแค่เรามีสตินะความทุกข์ในใจก็กรเด็นออกไปแล้วยิ่งถ้ามีสมาธิมีปัญญาก็ยิ่งดีใหญ่ค่ะทีนี้ออขอคําแนะนําจากหลวงพ่อค่ะว่าควรจะต้องแก้ไขหรือเพิ่มเติมยังไงไหมคะเราอย่าโลภก็แล้วกันนะค่อยๆทําไป การทำกรรมฐานเป็นงานประนีตนะเป็นงานที่เราเรียนรู้กันทั้งชีวิตเลยตั้งใจไว้อย่างนี้นั้นได้เมื่อไหร่เมื่อนั้นแต่ไม่ขี้เกียจอย่าย <c oughs> ขยันชั่วคราวอ่นะค่ะ <c oughs> แล้วจะต้องคือดูตามรู้ตามรู้อย่า ง, า ง, างไปเรื่อยๆใช่ไหมคะได้ <c oughs> แต่ว่าอย่าเพง่งอยากรู้มือก็อย่าไปเพ่งมือดูจิตก็อย่าไปเพ่งจิตก็ดูมันสบายดูมันดูคนอื่นมันทํำไหมค่ <c oughs> นะใจเราสบายใจโปร่ปง ถ้าใจแน่นๆทําทำผิดใจแน่นไหมเวลาดูเอออย่างตอนนี้แน่นค่ะตอนนี้อยู่เวลาที่มองหลวงพ่อแล้วมันเหมือนกับโดนดูดไปมัน เ, เพียงหลวงพ่อคล้ายๆเมดูซ่าใครมองก็ตัวแข็งหมดอ่ะ <c oughs> ทั้งที่เราไม่มีผมเลยนะค่ะทีนี้สงสัยนิดนึงค่ะ อ, อ, อย่างนี้ตามดูตามรู้ต่อไปหรือว่าจริงๆต้องเจริญปัญญาหรือยังไงไหมคะเจริญปัญญาก็ดูไปตัวที่เคลื่อนไหวอยู่นี่ไม่ใช่ตัวเราเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าต้องช่วยคิดไหมคะเบื้องต้นถ้ามันไม่ยอมเจริญปัญญาต้องช่วยมันคิด okay. แต่ไม่ใช่คิดตลอดชาตินะคิดเพื่อกระตุ้นให้จิตหัดมองกายมองใจเป็นไตร ล, ลักษณ์เท่านั้นเองคิดเพื่อกระตุ้นให้จิตหัดมองขั น, นะมองกายมองใจเป็นไตรลักษ์เพื่อกระตุ้นให้หัดมอง ไม่ใช่คิดตลอดชาติไม่ได้นะแค่ให้หันมองพอมันมองเป็นแล้วมันเห็นเองไม่มีเราเไม่มีตัวที่เคลื่อนไหวไม่ใช่เราแล้วนะยังอยู่ในทางใช่ไหมคะหลวงพ่ออยู่บ้างไม่อยู่บ้างนะเมื่อไร่เพง่งมันนั้นไม่อยู่เมื่อไร่เผลอมัน น, มนั้นไม่อยู่เ <c oughs> มื่อไร่รู้สึกมันนั้นก็อยู่ขอบพระคุณค่ะค่ะกล่ า, าวธรรมสักการค่ะก็ไม่เคยเรียนปฏิบัติมาก่อนนะคะแต่ว่าก็ฟังซีดีของหลวงพ่อประมาณปีกว่าแล้วก็ช่วงแรกก็เห็นว่า ร่างกายไม่ใช่ร่างกายเราบ้างแต่ว่าช่วงนี้มันเหมือนมันมัวมัวมัวมัวมัวมวมีมูหาไม่เป็นไรนะมันรู้สึกตัวไม่ค่อยชัดอะค่ะรู้ว่ารู้ไม่ชัดก็รู้ไปใช่ไหมรู้ไม่รู้ว่ารู้ไม่ชัดนั่นรู้ชัดแล้วนะรู้ทันจิตที่เรากำลังเป็นอยู่นะถูกต้องอันนั้นรู้ชัดแล้วแต่เราถูกความรู้สึกมันหลอกว่าแหมมองไม่ชัดถ้ารู้ว่ารู้ไม่ชัดก็ถือว่ารู้แล้วอยากจะชัดรู้ว่าอยาก ไม่ชอบเลยที่ไม่ชัดรู้ว่าไม่ชอบนี่ปฏิบัติแล้วนะเพราะงั้นสภาวะมีอยู่ตลอดเวลาถ้าหนูรู้ทุกอ ย, อย่างที่เขาเป็นได้ก็คือรู้แล้วละ่ะชัดก็รู้ไม่ชัดก็รู้ชอบก็รู้ไม่ชอบก็รู้เรามีคําแนะนำเพิ่มเติมค่ะด้วยเป็น<ม>กลางไปได้ค่ะ อ, อ, อย่าเป็นเป็นกลางนะแล้วก็ใจเย็นๆใจร้อนไปใจร้อนไหมการธรรมักการหลวงพ่อครับ ส่งกันบ้านเป็นครั้งที่สองครับครั้งแรกหลวงพ่อแนะนําให้ดูกายครับแล้วก็ในชีวิตประจำวันตอนนี้ก็มองเห็นความหงุดหงิดอยู่ในชีวิตประจำวันด้วยเห็นเห็นอะไรนะเห็นความหงุดหงิดนะครับเ อ, อครับดีก็เมื่อก่อนติดสมาธิหรึเปล่าน่าจะติดครับเพราะว่าเมื่อก่อนรู้สึกจะกดๆอยู่ครับเอานะหลวงพ่อถึงให้ดูกายไงครับพวกที่ติดสมาธิอยู่ไปดูจิตไม่ได้มันจะไปเพ่งจิตนะ พอเราออกมาดูกายให้เห็นคิดมันก็ได้เพี้นนาเป็นใจ ร, รักในะจิตจะเคลื่อนพอจิตเคลื่อนจิตจะโปร่งขึ้นรู้สึกโปร่งขึ้นไหมครับพอจิตโปร่งขึ้นรู้สึกไหมจิตเริ่มมีกิเลสให้ดูแล้วเริ่มเปลี่ยนแปลงแสดงใจ ร, รักได้แล้วนะพอมันแสดงใจ ร, รักเราก็เห็นใจ ร, รักเกิดขึ้นที่จิตได้เราก็ดูไปเลยวันไหนดูจิตไม่ออกก็เห็นร่างกายมันเป็นใจ ร, รักปอีก อยากถามเพิ่มเติมยังไม่เข้าใจคําว่าที่ดูอย่างเป็นกลางแล้วตั้งมั่นนะครับย<ม>ังไม่เข้าใจครับอะไรนะเป็นกลางกับตั้งมั่นเหรอครับตั้งมั่นเนี่ยดูอย่างนี้จิตเราชอบไหลไปไหลมาดูออกไหมเวลาไปดูรูปจิตก็ไหลไปอยู่ที่รูปเวลาตั้งใจฟังจิตก็ไหลไปฟังเวลาคิดจิตก็ไหลไปคิดจิตที่ไหลไปไหลมาเนี่ยคือจิตที่ไม่ตั้งมั่นถ้าเรารู้ทันจิตที่ไหลไปไหลมาจิตจะตั้งมั่นอัตโนมัตินะอีกอันหนึ่งจิตเป็นกลาง คิดเป็นกลางนีกลางข้อสติก็ได้กลางข้อปัญญาก็ได้กลางข้อสติตเช่นความโกรธเกิดขึ้นเราไม่ชอบเลยรู้ทันใจที่ไม่ชอบเนี่ยความไม่ชอบดับจิตก็จะเป็นกลางข้อสติถ้ากลางข้อปัญญาเนี่ยมันต้องทํานานจะเห็นเลยว่าทุกอย่างชั่วคราวอย่างความสุขเกิดมาเราเห็นมาหมื่นครั้งแล้วเราก็เห็นว่าความสุขดับทุกทีเลยความทุกเกิดมาแสนครั้งเราก็เห็นมันดับทุกทีเลยจิตมันได้ข้อสรุปว่าทุกอย่างมันชั่วคราว พอทุกอย่างชั่วคราวพอมีความสุขขึ้นมาจิตก็ไม่หลงระเริงแล้วนี่เป็นกลางความทุกข์เกิดขึ้นมาจิตก็ไม่ดิ้นรนปฏิเสธเห็นเป็นเรื่องธรรมดาจิตก็เป็นกลางนะนั้นเป็นกลางเพราะปัญญาเห็นว่าทุกอย่ธรรมดาให้ฝึกไปนะทีแรกก็กลางด้วยสติก่อนมันไม่เป็นกลางก็รู้ทันเอากราบขอบพระคุณครับกราบนรมาส ก, การหลวงพ่อครับก็ภาวนาศึกษาธรรมะมาพอสมควรนะครับแล้วก็ เชื่อครับว่าร่างกายจิตใจโ ล, โ, ลโลกกระทับเนี่ยมันเป็นทุกข์แล้วก็มีเป้าหมายเพื่อจะพ้นทุกข์ครับก็ภาวนาฟังหลวงพ่อแล้วก็แต่ละวันที่ที่ทำก็คือสวดมนต์เช้าเย็นนะครับแล้วก็ฟั ง, ฟงเทศหลวงพ่อในรถทุกเช้าที่ไปทํางานนะครับแล้วก็พยายามทําสมถะด้วยในแต่ละวันแต่ก็มักจะไม่สงบครับเพราะว่าแล้วก็รู้กายรู้ใจในชีวิตประจำวันครับผมแต่สิ่งที่พบก็คือว่า เวลาส่วนใหญ่ในแต่ละวันเนี่ยจะจะเผลอจะเผลอไปแล้วก็ค่อนข้างจะเคร่งเครียดกับงานแล้วก็พอตอนเย็นมาอะไรมาก็คือจิตใจก็จะเหมือนกับอยู่ในนรกที่แบบต้องเคร่งเครียดเสมอครับคือถ้าจดจ่ออยู่กับงานอันนี้ห้ามไม่ได้นะเรามีหน้าที่ทํางานเป็นวัยทํางานไม่ใช่วัยทองยังเป็นวัยทําเงินอยู่ไม่ใช่วัยทองนะงั้นเราก็ต้องจดจ่อกับงานไปช่วยไม่ได้อนะันนั้น เราแค่ว่าตื่นให้เร็วขึ้นนิดหนึ่งแล้วมาภาวนาตอนที่ยังมีแรงอยู่นะเล่นตอนเช้าเลยตกขํามมันฟ้าแปะเต็มทีละใจนะ่ะเปื้อนขยะมาเต็มเหนียวแล้วนะจะมาให้คลีนให้ใสมันไม่ไหวเล่นแต่เช้าเลยครับก็ตอนนี้ก็คือตอนเช้าปุ๊บตื่นขึ้นมาสิ่งแรกที่ทําก็คือนั่งภาวนาดูลมหายใจต้องอย่างนั้นสิครับแ ต, แต่ว่าแ ต, แต่ยังขี้เกียจไปนิดหนึง่งขี้เกียจไปครับหลวงพ่อเนะี่ยตื่นปุ๊บเนะี่ย ร่างกายเป็นยังไงรู้สึกนะจิตเป็นยังไงรู้สึกนะยังไม่ทันจะลุกขึ้นนั่งสมาธิเลยเอาให้ได้นะตั้งแต่จิตแรกที่รู้สึกติดว่าใรจิตมัเคลื่อนเคลื่อนขึ้นมาจากระวังนะรู้ทันมันปื๊ดปื๊ดหลุดออกมาแล้วรู้รทันไปเลยแล้วถ้ า, าในกรณีอย่างนี้ถ้าสมมติเราเราอย่างที่หลวงพ่อเคยบอกนะครับตอนที่หลวงพ่อ เ, เป็นคาราวาใช่ไหมครับทำงานแรกแล้วก็ เ, เคร่งเครียดมากแล้วภาวนาดีแต่ถ้าเกิดเ่งเคร่งเครียดน้อยๆแล้วรู้สึก อะไรอ่าหลวงพ่อใช้คําว่าไม่กระปี้กระเป๋าอย่างนี้คือถ้าเกิดเราทํางานที่เครงเครียดเนี่ยเราควรจะขยับขยายยังไงหรือเปล่า ค, ครับคือถ้าเป็นเห็นทุกข์นะใจมันอยากพ้นทุกขนะ์ไงมันก็ขยันดูพอมามีความสุขนะอะไรๆก็สบายไปหมดเลยชักขี้เกียจนะนะเพราะงั้นเรามองโลกแง่ดีไว้ตอนนี้เรามีชีวิตที่มีภาระมากมายน ะ, ะตื่นเช้าขึ้นมาก็ตะลีตาลานไปทํางานนะเวลาทํางานก็หัวหมุนหัวโตเลยอย่างนี้นะ เลิก ง, งานก็ป้าแป้แล้วป้าแป้รู้ว่าป้าแปดไปเลยครับ<ะ>แล้วก็เก็บเล็กเก็บน้อยในเวลามีนาทีสองนาทีในเวลาระหว่างวันนะเอาให้หมดเลยครับ<ะ>ไปรู้สึกเลยไปชีกไฟอะไรเงี้ยรู้สึกไป<ะ>ดูกายดูใจดูดูจิตได้ดูไปดูไม่ได้ดูกายไปคือเราพยายามลุยอยู่ตรงนี้สร้างสติสร้างปัญญาเพื่อจะเพื่อจะอสร้างความเคยชินที่จะไม่ทิ้งเวลาสองสามนาทีใชครับ<ะ>นะแล้วช่วงเวลาที่เราต้องอยู่กับความเค่งเครียดนี่มันจะมีผลทําให้ ใจเราเขาเรียกอะไรคลุกคลีกับอบายหรือไปมากเกินไปหรือเปล่าครับจิตเป็นคนละดวงกันนะตอนนั้นมันมีหน้าที่ไปทํางานแล้วคงไม่ได้เคร่งเครียดทํางานฆ่าคนใช่ไหมไม่ไม่ใช่ครับเออไม่ถึงขนาดนั้นนะ่ะงานเรามันไม่ถึงขนาดทําให้ตกน้รกอ่ะนะครับนะแล้ววิธีการที่จะทําให้มีสมรรคนี่ควรจะทํำยังไงบ้างครับรพอจะได้มีแรงให้มีแรงนะย่ยอยากมีสมรราเกิดเพราะใจใจมีความรีแลกซ์ ใจสบายใจเองจะสงบนะเพราะฉะนั้ส่วนเลาทำงานมาเครียดจัดเลยดูอะไรไม่รู้เรื่องนะชอบฟังเพลงเปิดเพลงฟังอย่างนี้ให้ใจคลายชอบฟังเทปหลวงพ่อมากกว่าครับเออชอบฟังเทปฟังเทปไปเลยดีที่สุดนะไม่ไปอบายแน่นอนเลยพอฟังเทปแล้วมีความสุขจิตมีความสุขจิตจะสงบนะงั้นฟังซีดีหลวงพ่ออะไรได้สมรถะแน่นอนอ่ะได้แล้ถ้าเกิดจะฝึกไปทางฌานอย่างนี้ควรจะทําหรือเปล่าครับ ไม่ควรนะทำยากจิตฟุ้ฟงซ่านฝึกยากครับนมัสการยังดีนะนี่คนนี้มักน้อยบางคนจะฝึกเอาปิญญาอ่อะต่อไปกลับนามัสการหลวงพ่อครับคือก็ได้ศึกษาปฏิบัติรรมาสักพักหนึ่งแล้วอยากจะสอบถามว่าคือดีหรือยังครับหนูว่าดีไมด่ดีดูด้วยตัวเองนะเวลาทาผิดศีลละอายใจไหมลอายครับเอออย่างนี้ดี ฟุง้งซ่านรารู้ทันบ้างไหมรู้ท่านโอ้อย่างนี้ก็ดีนะอเห็นร่างกายกับใจแยกออกจากกันบ้างไหมน่าจะเคยนะครับเออนั่นจากนั้นก็ดีนะขันมันค่อยแยกแล้วขันก็แยกแล้วนะดีเรามีข้อแนะนําอะไรเพิ่มเติมไหมครับต้องทําไปเรื่อยๆนะทาบ่อยๆอย่าท้อถอยซะกอ่อนมันเหมือนเคยอ่านเรื่องพระมหาชนกไหมเคยครับออว่ายน้ํานะอย่าหยุดอ่ะ ทำไปเรื่อยถึงเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นน่ะถ้าพระมหาชนกกะว่าต้องไหวอีกร้อยกิโลแกคงไม่ไหวอะ่นะแล้วก็ไหวไปเรื่อยนะเจอเกาะเมื่อไหร่ก็ขึ้นไปอะไรเงี้ยไม่เจอก็ไหวไปหมดแรงตายก็ไม่อายกับฟ้าดินไม่ละความพยายามเราก็เอาใจของแบบนั้นมาใช้นะของนักปฏิบัติต้องสวมหัวใจพระมหาชนกไว้ขอบคุณแม่คำไม่ใช่หลวงพ่อสอนอันนี้ไม่ใช่อะไรหรอกเห็นยังเด็กเนาะยังหนุ่ม เดี๋ยวก็อยากทาเดี๋ยวว่าไม่อยากทำอะไรต้องอึดๆนะทำให้สม่าเสมอไปแล้วมันก็จะดีหรอกนะใจที่โน้มเอียงมาหาธรรมะเนี่ยดีแล้วประเสริฐแล้วนะแล้วก็พัฒนามันไปอีกวค่อยรู้ทันจิตใจมีกิเลสรู้ทันจิตฟุ้งซ่านรู้ทันจิตหนีไปคิดรู้ทันนะต่อไปมันก็จะชำนาญขึ้นที่ฝึกอยู่ใช้ได้น ะ, ะนำ้ำมาสการหลวงพ่อเจ้าค่ะนี่มา ครั้งที่สะะองะหลวงพ่อเคยบอกว่าโยมตอนนั้นไม่มีกำลังนะคะโยมคิดว่าไม่มีกำลังเกี่ยวแก่ภายนอกและภายในด้วยใช่ไหมเจ้าค่ะใช่ใช่แล้วก็โยมก็ปฏิบัติอยู่บ้านสวดมนต์ไหว้พระทำจาลูปแบบทุกวันเลยค่ะแต่วันพระโยมจะทำมากก็รักษารู้สึกมีแรงมากขึ้ น, นหมเจ้าค่ะรู้สึกแรงเพิ่มขึ้นไหมตอนนี้ ค่ะเจ้าค่ะบางครั้งก็เห็นตัวตนไม่ใช่ของเราเห็นเหมือนสัตวสัตว์ประหลาดอะไรอยู่าง้นะเค่ะบางครั้ยอดมนุษย์ไหมบางครั้งก็เห็นกิเลสเยอะเลยเจ้าค่ะน่าดีนะสัตว์ประหลาดเยอะยอดมนุษย์มีตัวเดียวตัวรู้อะไรบางครั้งก็เห็นพุ้งซ้านหดผูกอะไรก็เห็นกิเลสเยอะเลยเจ้าค่ะแล้วทํายังไงจะให้จิตเป็นกลางได้เจ้าค่ะให้ายมรู้จิตที่ไม่ชอบอะ จิตมันลำคาญกิเลสอะนะตัวนี้ไม่เป็นกลางให้เรามีสติรู้ทันไหมเจ้าค่ะแล้วก็รู้ทุกอย่างไปด้วยจิตที่เป็นกลางไปเรื่อยเจ้าค่ะไอ้หนุ่มที่เพิ่งส่งการบ้านสดสดร้อนๆอนอะเนาะการภาวนาเนี่ยทำสบายสบายนะบางครั้งเครียดนะบางครั้งเครียดก็ก็เห็นต้องเห็นความเครียดใช่ไหมเจ้าค่ะใช่เครียดแล้วก็เห็นความอึดอัดเบื่อหน่ายในร่างกายเห็นแต่ทุกทุก แต่โกรธนี่จะเห็นรู้สึกโกรธขึ้นมานี่ยมันเห็นสั้นๆมันก็ดับไปเจ้าคะ่ะเห็นถูก่มันก็ดับสิขอบพระคุณเจ้าคะ่ะเด็กที่เพิ่งส่งกันบ้านไปไ ป, ไปเขี่ยนผู้ชายนะภาวนาภาวนาไปด้วยใจที่เป็นธรรมชาติธรรมดาดูความเปลี่ยนแปลงของเขาไปด้วยดูสบายๆอย่าถลําลงไปดูไปศึกษาคําว่าอย่าถล่มลงไปดู ศึกษาคำนี้ให้เยอะถ้าเข้าใจตัวนี้นะการพอนาจะไปได้อีกเยอะเลยกามนาัสการค่ะพอาจารย์หนูมาส่งกันบ้านเป็นครั้งแรกแล้วก็ปฏิบัติจาก mp3 อ่ะสค่ะก็เลยอยากจะรู้ว่าที่ปฏิบัติอยู่โดยที่ตัวเองลองทำดูดูนีค่ะถูกบ้างไหมแล้วพ อ, อไหวบ้างไหมคะอาจารย์ mp3 มพีาก็สอนเก่งเหมือนกันเนี่ห <laughs> าะไทมีสติไหม ะะมีสติเกิดบ่อยไหมล่ะเกิดบ่อยะค่ะก็นั่นอาจารย์<ก>สอนอดีพอรู้บ้างค่ะกิเลสเกิดรู้ทันไหมกิเลสเกิดจะรู้ว่าค่ะแต่ว่าไม่เป็นกลางกับมันเก่งที่รู้ว่าไม่เป็นกลางไม่ใช่ว่าต้องเป็นกลางนะ <c oughs> เอาแค่ไม่เป็นกลางรู้ว่าไม่เป็นกลางอันนั้นแหละคือการปฏิบัติถ้าต้องเป็นกลางแล้วก็ไม่ได้แล้วแสดงว่าไม่เป็นกลางแล้วนั่นถึงจะต้องเอาอย่างนี้ มันค่ะมันเหมือนแบบพอรู้แล้วมันเหมือนมันจะดิ้นนะคะเออดิ้นรู้ว่ามันดิ้นมันไม่เอามันไม่ชอบมันจะบีบตลอดเลยอ่ะใช่สมน้ําหน้ามันเคยลองเล่นกับมันก็แพ้มันไปแล้วแพ้อย่าเล่นแกกีเลนไม่มีใครชนะเรียนรู้มันไปเรื่อยนะแล้วจะอย่าไปเกลียดมันแต่ว่าอย่าไปเชื่อมันอ๋อจะทํายังไงต่อไปคะรู้สึกบ่อยๆรู้สึกตัวบ่อย อย่าให้มันไปติดนิ่งน่งว่างว่างเออเออะไรนะคอยว่าท้าใจมันว่างว่างเออเออกไปข้างนอกย้อนกลับเข้ามาหากายหาใจตัวเองพระอาจารย์คะขอคําแนะนําตอนเวลาเดินจมกลมอะค่ะเราจะเดินยังไงให้ให้จิตมันตั้งมั่นนะคะเพราะว่าเราไม่ได้เดินให้จิตตั้งมัน่นเราเดินรู้ทันว่าจิตไหลไปไหลมาแล้วก็ตั้งของเขาเองอถ้าเราเดินเพื่อจะเอาเนี่ยนะไม่ได้แต่ถ้าเราเดินเพียงแค่รู้นะจะได้ เวลาหนูเดินหนูจะเห็นมันฟุ้งออกไปตลอดเลยอะค่ะดีดีไปเดินอีกดูดูมันฟุ้งแกแกฟุ้งฉันจะรู้แก่ฟุ้งฉันจะรู้เอาแค่นี้แหละเห็นมันฟุ้งแล้วมันก็ไม่กลับมาสักทีน่นน่ะหัดหินละเคยได้ยิดไหมฟุ้งซ่านําคาญใจตัวที่ไม่กลับมาสักทีเนี่ยลำคาญใจแล้วเดินยังไงหลายรอกก็ยังเห็นฟุ้งออกไปอยู่เดินเอาดีอก็ต้องรู้ตัวที่อยากได้อยากดีใช่ไหมคะ ลูกศิษย์รุ่นนี้เก่งเลสอนแล้วจับประเด็นได้ค่ะขอบคุณค่ะน่าหมดแล้วดีจังพวกเราภาวนาดีขึ้นเยอะเลยนะแต่ละคนที่แยกธาตุแยกขันได้นี่เป็นเรื่องปกติแล้วในยุคนี้ขนาดพระผู้ใหญ่นะท่านฟังซีดีหรือบางทีท่านไปที่วัดนะท่านชมนะว่าโยโมภาวนาน่ากลัว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 บสิ้นการละนานเนธิญยะถาวาริวะาปูราปริปูเรนติสะคารังเอวเมีวาอิโตทินังเปตานังอุปกาปฏิอิชิตังปฏิตังดุมหังคิปเมวาสมิฉตุสัพเพปูเรนตูสังกปาจันโทพนราโสยถามณีโชติระโสยทถาสัพพีติโยวิวัตชันตูสัพโรคโควินาสตุ มาเตภวัตวันตรายโยสุขีธีคายยโกภวะอาภิวาธนศีลิสนิจจังอุทธาปจายโนจ ต, ตารโรธรร ม, มาวัันตีอายุวันโนสุขังพะลัง